บุตธรรมรานมกัจฉาบธรมชานมัรชากัจฉาสัชรานกัจฉาชาม สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ปรึกครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรม เรื่องรัตนสูตรทำการบรรยายโดยท่านพระอาจารย์ประสมทบประกโะมวัดกลางอำเภอบางปรมาจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่สองขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัดนี้ครับ ครั้งนี้ก็จะต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยในครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของรัตนสูตรซึ่งก็ยังไม่จบนะในรัตนสูตรนี่เป็นเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงโปรดชาวเมืองเวสาลีเป็นต้นเนี่ยในครั้งที่แล้วก็พูดถึงในเรื่องของคําว่ารัตนะคําว่ารัตนะเนี่ยก็แปลว่าก็แปลว่าทําความยินดีให้เกิดขึ้นแล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของ จากการรัตนะเป็นต้นนะแล้วท่านก็ยกตัวอย่างเกี่ยวในเรื่องของรัตนนะแล้วก็มีการแยกรัตนะออกเป็นหลายๆอย่างรัตนะนั้นมีความหมายอยู่หกประการนะประการแรกก็คือว่ายังความยินดีให้เกิดขึ้นประการที่สองก็คือเป็นสิ่งที่บุคคลทาความเคารพประการที่สามก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากประการที่สี่ก็เป็นสิ่งที่ช่างตวงไม่ได้ ประการที่ห้าก็เป็นสิ่งที่บุคคลเห็นได้โดยยากและประการที่หกเป็นสิ่งที่สัตว์ผู้ต่ามสามไม่อาจจักบริโภคได้ในหประการเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นจัดเป็นลัตนะที่มีความหมายครบทั้งหประการธรรมพุทธรัตตนาเนี่ยคือรัตตนาคือพระพุทธน่ยมีความหมายครบทั้งหประการก็คือว่าพุทธรัตนะนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลทําความเคารพ เป็นสิ่งที่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นสิ่งที่ช่างตวงไม่ได้เป็นสิ่งที่บุคคลเห็นได้โดยยากเป็นสิ่งที่สัตว์ผู้ต่ำสามไม่อาจจาักบริโภคได้ยังยกตัวยอย่างเช่นข้อสุดท้ายเนี่ย ส, สัตว์ที่ต่ำสามเนี่ยเช่นพวกเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยไม่สามารถจะบริโภคพุทธะธนนะได้เป็นต้นพอพูดตรงนี้ก็ทาให้รู้สึก เสียวสลังเหมือนกันเลนะว่าในขณะปัจจุบันนี้เรายังสามารถบริโภคพุทธรัตนะได้บ้างคือยังพอจะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้บ้างเมื่อเช้านี้ก็ไปดูเอาอาหารไปให้สัตว์เลราชางให้สุนัขเนี่ยให้ปุ๊บเนี่ยเขากินอาหารเบ็ดเสร็จมันเหลือส่วนหนึ่งเขาข้าบเอาไปฝังดินว่าก็ก็ยืนมองเขาอยู่ก็ทาให้นึกถึงเนี่ยนึกว่ า, เ, าเขา เขาบริโภครัตนะที่สูงสูงไม่นางโดยมากเขาก็แค่เนี้ยแค่กินแค่นอนแค่อะไรของเขาไปลักษณะอย่างนี้และในรัตนะเหล่านั้นท่านก็แบ่งเป็น2 อ, อย่างเป็นอาวิญญาณนะรัตนะและก็สาวิญญาณกะะันะวัฒนาอาวิญญาณนะการัตนะก็คือรัตนะที่ไม่มีวิญญาณก็ได้แก่รัตนะที่ไม่มีชีวิตเช่นจักกรัต น, มนะมณีรัตนะทองเงินเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นอาวิญญาณะกะรัะตนะ คือลัตนะที่ไม่มีวิญญาณแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะส่วนสาวิญญาณหนะกะรัตนะคือรัตนะที่มีวิญญาณก็ได้แก่ช้างแก้วมา้าแก้วนางแก้วรัตนะที่มีชีวิตนั่นเองที่นี้ในบรรดารัตนาทั้งสองอย่างนั้นรัตนะที่มีวิญญาณเป็นเลิศไหมบอกเป็นเลิศเป็นเลิศเพราะว่ารัตนาทั้งหลายที่ไม่มีวิญญาณก็ถูกเขานํามาทําเป็นเครื่องประดับของรัตนะที่มีวิญญาณเช่น พาะแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมเราก็นำมาเป็นเครื่องประดับฉะนั้นรัตนะที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยสู้รัตนะที่มีวิญญาณไม่ได้แต่หมายถึงช้างแก้วมา้าแก้วนางแก้วนะทีนี้รัตนะที่มีวิญญาณจึงประเสริฐกว่ารัตนะที่ไม่มีวิญญาณและรัะตนะที่มีวิญญาณนั้นมนุษย์สรัตนะดีกว่าเดรัจฉานลัตนะ ถ้าเราพูดถึงในด้านของว่าช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยสู้นางแก้วไหมนะนางแก้วนี่เป็นพาพมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมมีผิวกายอ่อนนุ่มถึงหน้าร้อนก็เย็นถึงหน้าเย็นก็ร้อนนี่นึผิวผิวหนังของนางแก้วนหน้าเกิดเป็นกัน น, นึง <c oughs> ใครได้มาสัมผัส ร่างกายนี่ก็มีความสุขมาทั้นั้นมนุษย์รัตน์เนี่ยประเสริฐกว่าเดรัจฉานรัตนะเพราะว่าเดรัจฉานรัตนะย่อมถูกนํามารับใช้มนุษย์สารัตนะเช่นช้างแก้วก็เป็นเครื่องรับใช้ของพระเจ้าจักรพรรดิที่นี้มนุษย์สารัตนะก็แบ่งเป็นสองนะเป็นอิฐีรัตนะกับปุริสารัตนะในสองอย่างนั้นปุริสารัตนะท่านกล่าวว่าเป็นเลิศเพราะอิฐีรัตนะย่อมเป็นผู้รับใช้ ของปุริสารัตนะเหมือนนางแก้วเนี่ยต้องรับใช้ใครรับใช้พระเจ้าจักรพรรดิอย่างนั้นก็ถึงบอกว่าอิทธิรัตนะกับปุริสารัตนะนี่ปุริสารัตนะเป็นเลิศกว่าดันนั้นเขาก็แยกแยะให้เห็นให้เห็นความละเอียดอ่อนแตกต่างกันออกไปนี่แต่คําพูดตรงนี้ในปัจจุบันถ้าไปพูดในสังคมประชาธิปไตยทั้งโลกเขาาไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่เขาว่าเท่าเทียมกันทีนี้ในมันในปุริสารัตนะนั้นแบ่งเป็นสองเนี่ย เป็นอาคาริกะรัตนะกับอนาคาริกะรัตนะรัตนะที่มีเรือนกับรัตนะที่ไม่มีเรือนอาคาลิกะรัตนะคือยังคลองเรือนเน่อนาคาลิกะก็แปลว่าไม่มีเรือนหรือไม่คองเรือนในสองอย่างนั้นอนาคาริกะรัตนะคือรัตนะที่ไม่มีเรือนเนี่ยเป็นเลิศเพราะแม้พระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นเลืในบรรดาอาคาลิกะรัตนะเนะก็ยังต้องถวายบังคม อนาคาริการัตนะด้วยเบญจานคราดิศการกราบด้วยมีองค์ห้าทรงอุปถากแล้วเข้าไปนั่งใกล้จึงได้บรรลุทิพย ส, ยสมบัติมนุสสมบัติและก็บรรลุนิพพานสมบัติในที่สุดได้ไอตรงนี้ก็ไปสังเกตดูว่าในบรรดาอาคาริการัตนาะกับอนาคาริการัตนาเนี่ยอาคาริการัตนาะรัตนะที่มีเรือนแต่สูงสุดที่จริงเนี่ยไม่มีใครเกินแม่เจ้าจากักรพรรด ในบรรดาคนที่สูงปรลณีดแล alam, P ato. P ato ้ว no ก็ดีที่สุดในบรรดาผู้ครองเรือนนี่นะต้องบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดนี่สูงสุดแล้วไม่ใช่พระเยบินเดินนะเจ้าจักรพรรดินะแต่มันพระเจ้าจักรพรรดนั้นน่ะไม่เป็นเลิศเหมือนกับอนาคาริกาลัตนะคนที่ไม่มีเรือนนี่เช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระอรหันต์เนี่นะนี่ในบรรดาอนาคาริกาลัตนะท่านก็แบ่งเป็นสองเป็นอริยะ รัตนากับปุตุชนรัตนะในรัตนะทั้งสองอย่างนั้นอริยรัตนะคือบรรพชิตที่เป็นพระอริยะเป็นเลิศไหมเป็นเลิศในบรรดาอริยรัตนะนั้นยังมีเสขรารัตนะและคือพระเส ข, ขาบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอยู่กับอเศขรารัตนะคือพระเสคราบุคคลผู้จบการศึกษาแล้วท่านก็แยกนว่าเออใครเป็นเลิศกว่ากันเนี่ยในบรรดาเสขรารัตนะกับอเศขารัตนะ เ, เนี่ยที่แยกออกมาจาก อริยรัตน์หนึ่งก็บอกว่าถ้าเสกขบุคลวนแปลว่าคนที่ยังต้องศึกษาธรามาศึกษาในที่นั้นเป็นชื่อของยังต้องเจริญศีน ส, สมาธิปัญญาเพื่อเป็นปัจจัยแก่การละกิเลส ท, ที่ยังไม่หมดแต่อเซขารัตน์นี่ท่านเป็นผ้าอาหารที่ละกิเลสได้แล้วฉะนั้นท่านจึงเป็นเลิศกว่าเสขารัตนะทีนี้ในบรรดาอาเซขารัตน์ก็แบ่งเป็นสองคือเป็นสมถาญานิกะรัตน์กับสุ ข, ขะ วิปัสนาวิปัสการัตนะสมถญาณิการัตนะนี่นะกับสุขะวิปัสการัตนะแบ่งเป็นสองนะเซคารัตนะเนี่ยทีนี้ในบรรดาคำว่าสมถญาณิกะเนี่ยคือผู้มีสมถาเป็นญาณที่มาสายสมถฏก่อนนแล้วค่อยมาเจริญวิปัสนาทีหลังอันนี้เขาเรียกว่ามีสมถาเป็นญาณก่อนส่วนสุขะวิปัสการัตนะคือ กลุ่มที่เป็นเจริญวิปัสนาล้วนๆนี่เนะี่กลุ่มนี้ถ้าได้บรรลุแล้วก็ไม่ได้ไม่ชำนาญในเรื่องของอิทธิฤทธิแต่กิเลสหมดกันนะท่านก็ยกตัวอย่างเช่นพระจักขุปาละเทละเป็นต้นบรรลุแล้วก็ก็เหมือนคนธรรมดาเราเนี่ยเพียงกิเลสหมดนะกิเลสทางใจหมดแล้วแต่ว่าอิทธิฤทธิต่างๆการเข้าฌานสมาบัตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ก็ไม่ไดา ได้พระสมาบัติได้นยะแต่ว่าพวกฌานสมาบัติเป็นต้นไม่ได้ท่านในสมาถายา น, นิกนรัตนะท่านก็บแบ่งเป็นสองคือสาวกบา ร, รมีปั ต, ตารัตนะคือรัตนะที่ถึงสาวกบา ร, รมียานกับสาวกบา ร, รมีอ ป, ป ต, ตารตนะคือรัตนะที่ไม่ถึงสาวกบา ร, รมียานอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยได้เป็นสาวกบา ร, รมียานเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกอักขรส า, าวก สาวกบางองค์ไม่ได้เนะี่ยไม่ได้สาวกบา ร, รมีญาณหรอกแต่ได้บรรลุเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันเนี้ยที่หนึ่งพันเน่ยขอเป็นในหนึ่งพันก็เอาเยอะือไม่มีชื่อปรากฏก็บอกรวมๆก็เอาแล้วไม่ต้องการมีชื่อเสียงในภาษาศาสนาถ้าจะขออย่างเดียวให้ได้บรรลุก็แล้วเลจะบรรลุแบบไหนก็เอาทั้งนั้นแต่บางคนไม่ได้เนะก็ตั้งจิตอธิษฐานก็ไว้นะ ถ้าจะบรรลุต้องบรรลุอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแปลว่าต้องมีบริวารเวียนพันๆเลยอยงเนี้ยหรือมีชื่อเสียงปรากฏจารึกไว้ให้คนรุ่นเก่ามีศึกษาประวัติเลยอย่างเช่นภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากรตศพเป็นต้นเหล่านี้ยนะแต่บางองค์ก็ไม่มีชื่อปรากฏเลยแต่เป็นพระอาร์ตเช่นบรรลุหนึ่งหมื่นเนี่ยในนั้นไม่รู้ใครบ้างกันเลยแต่แน่ๆไม่มีพวกเราเน ม, มีพวกเรา ในดีดนะเด็กข้างหน้าตั้งตั้งหลักใหม่พลาดแล้วไม่เป็นไรตั้งหลักใหม่ไม่เป็นรัตนะที่ไม่ถึงสาวกบา ร, รมีญาณในสองอย่างนั้นรัตนะที่ถึงสาวกบา ร, รมีญาณเป็นเลิศเพราะมีคุณมากถึงอย่างนั้นพระปัจเจกกับพุทธรัตนะปัจเจกับพุทธรัตนะก็เลือดกว่ารัตนาถึงสาวกบา ร, รมีญาณก็หมายความบอกว่าก็กสาวกทั้งหลายเป็นร้อยๆเป็นพันๆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ผู้เป็นอคกขลาส า, าวกก็ยังไม่เข้าถึงส่วนแห่งร้อยแม้ส่วนแห่งพันแห่งคุณทั้งหลายของพระปัจเจกับพุทธเจ้าแม้พระองค์เดียวเขายกตัวอย่างว่าคุณของพระปจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยพระปจเจกพพุทธเจ้านี่บําเพ็ญบารมีมาสองอสงไขยไหมยิ่งเดือแสนกับแต่ถ้าอคการลาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานี่หนึ่งอสงไขยฉะนั้นเทียบไม่ได้เลย จะเอาคุณของภาษาวกทั้งหมดไปรวมรวมรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อจะให้เท่ากันกันกบพระปัจเจกับพุทธรัตนะ์องค์เดียวเทียบไม่ได้ทีนี้ถ้าไปเทียบกันระหว่างปัจเจกับรัตนะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธรัตนะเป็นเลือดกว่าพระปัจเจกับพุทธรัตนะเพราะทรงมีพระคุณใหญ่ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้านั่งสมาธิ นั่งติดติดกันอยู่ทั่วชมพูทวีปชมพูทวีปนี่นะโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมีพระปเจกกับพระพุทธเจ้านั่งเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยนะยังไม่เข้าถึงเซี่ยวหรือส่วนแห่งเซี่ยวแห่งคุณทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์เดียวนั้นสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนวิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ตามสัตว์ที่ไม่มีเท้ามีสองเท้าก็ตามมีสี่เท้าก็ตามมีเท้ามากก็ตา ม, ม มีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าใดพระตถาคตเจ้าแลเรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นลัตนาที่จะเสมอด้วยพุทธรัตนาจึงไม่มีด้วยเหตุนี้ในลัตนาสูตรพระผู้มีภรคเจ้าจึงตรัสว่านันโนสมังอัติตทธาคะเตนะที่แปลว่ารั์และลัตนะนั้น ที่จะเสมอด้วยพระตรรคตไม่มีเลยอันนี้ท่านต้องการแยกแยะให้เราเข้าใจว่าพุทธรัตนานี่ประเสริฐสูงสุดจริงๆนะเป็นบุ ญ, ญลราพของเราท่านทั้งหลายแล้วที่ได้มีโอกาสในศึกษาคําสอนนะที่ได้ยินคําว่าพุทธนะเนี่ยเพราะว่าสัตว์ผู้ต่ํามตามจะไม่ได้ยินคํานี้เลยและจะไม่เข้าใจคํานี้เลยหรือถึงแม้ว่าเป็นมนุษย์นะถ้าหากบุญไม่พอนี่นะได้ยินคํานี้ก็เฉยหมดแล้วไม่สามารถที่จะมีปีติสมันัด ศรัทธาอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นในคําว่าพุท ธ, ธาได้อันนั้นบ่งบอกให้รู้ได้ว่าบุญไม่ถึงเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความที่รัตนคือพระตถาคตไม่มีรัตนอื่นเสมอดังนี้แล้วเนี่ยเมื่อจะทรงแสดงการเข้าไปสงบซึ่งอุปัตตะคือภัยพยานันตรายทั้งหลายเนี่ ย, ยที่จะบังเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ทั้งหลายในเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงประกอบสัจวาจาบอกว่าอีดัมปิพุทเธรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุสวทิโหตุก็แปลว่าพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายก็สัจวาจานี้มีได้อ้างด้วยอาศัยชาติลึกโดยอาศัยโครเนออาศัยการเกิด ในตะ ก, กูลสูงและไม่ได้อ้างเพราะอาศัยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงอ้างเพราะอาศัยความที่พุทธรัตนะเป็นรัตนะที่ไม่มีประมาณได้คุณทั้งหลายหมายความบอกว่าศีลขันสม า, รรามธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันทั้งหลายในโลกโลกอื่นจะดเอเวจีจนถึงพระวกพรมเป็นที่สุดด้วยความจริงอันนี้ขอความสวัสดีจึงมีแก่สัตว์ทั้งหลาย ก็เนื้อความในคาถานั้นนะ่ยมีอธิบายบอกว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจคือรัตนาย่างใดยอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนี้หรือโลกอื่นนี่นะไม่ว่าจะมีอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่ชั้นกามาวาจรูปาวาจรนาูปา ว, า จ, ราปาวาจรนี่นะพุทธรัตน์แม้นี้ชื่อว่าประนีเพราะไม่เสมอเหมือนกับทรัพย์เครื่องปลื้มใจคือรัตนานะั้นคือไม่เสมอกันในคุณทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าหากว่าคำกล่าวนี้เป็นความจริงด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีคือความดีงามได้แก่ความไม่มีโรคความไม่มีความไร้อุปัทวะจงมีแก่สัตว์ผู้มีปรานทั้งหลายเหล่านี้คำว่าสัตว์ผู้มีปรานปรานนี่แปลว่าอะไรมีชีวิตเอามีชีวิตนั่น และความจริงตามที่ได้ตรัสนี้ความสวัสดีได้เกิดขึ้นแก่ราชตระกูลภัยทั้งหลายก็สงบด้วยคาถาเ ม, มีนี้อัจฉริยะอันอมนุษย์ทั้งหลายได้รับแล้วในแสนโกฎจักรวาล น, นั่นคือสามารถป้องกันภัยอันตรายอันเกิดจากอามนุษย์ทั้งหลายในแสนโกรจกักรแสนแสนโกรจักรวาลได้คือพอสาธยายในบทที่สาธยายสักครู่นี้เนี่ยว่าพอสาธยายว่า ยังกินจีวิตัตงอิทวาหุรังวาสักเเคสวายัางรัตนังปณีตังนานโนสมังอธิตะธาคาเตนะอีดามบีพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเคนะสุวติโคตบอกว่าทรัพย์เครื่องเปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นคือรัตนะอันใดอันปณีในสวรรค์ทราบและรัตนานั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยพุทธรัตน์แม้นี้เป็นรัตนะอนันปณีด้วยสัจเจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านั้น เพียงพระพุทธเจ้าตรัสแค่ตรงเนี้ยความสวัสดีก็เกิดแก่สัติ์แสนโกรจักรวาลเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงถึงพระธรรมเป็นรัตนาอันประณีตบ้างจึงได้ตรัสเป็นคาถาว่าบกพอตรัสพุทธรัตนะแล้วเนี่ยก็เลยตรัสว่ารัตนะไม่ใช่มีแค่พุทธรัตนะนะธรรมรัตนะก็มีก็เลยตรัสพระคาถาบอกว่าขย่งเวราคังอมาตังบันีตัง ยาดัชคาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนาธรรมเมนาสมาติกินจิอิดามีพุทธธรรมเมรัตนังบณนีตังเอเตนาสเจสเจนสวัติหตุแปลว่าพระสักยมุนีมีผ้าไทยดำรงมั่นคำว่าผ้าไทัยดำรงมั่นเนี่ยฟังคำนี้แล้วต่างจากเราริบโลกเลยนะเนี่ยเรานี่ไม่มัม่นหรอก เพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจแห่งสมาธิที่ทตั้งมัน่นอย่างนี้เขาเรียกว่าวกแวกเขาเรียกไม่มัน่นเราสามารถนั่งนิ่งๆได้เป็นวันๆไหมแล้วจิตก็รับอารมณ์เดียวได้พราะพพุทธเจ้าเนี่ยทำได้นี่เพราะองค์มีพระหัถไทยดำรงมัน่นอย่างเราไม่ได้เลยเพราะนิ่งนิดเดียวหลับใช่ไหมนิ่งเดียวหลับเลยเลยได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สำรอกกิเลสเป็นอมตาธรรมอันประเสริฐธรรมชาติอะไรอะไรเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีธรรมรัตน์แม้นี้เป็นรัตน์อันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้นี้คือข้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงพระธรรมทีเนี้ยคุณของพระธรรมอันได้แก่พระนิพพานเนี่ยนะ พระธรรมในที่นี้ยสูงสุดท่านหมายถึงนิพพานแต่คําว่าพระธรรมเนี่ยหมายถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งภา 1, พรปริยัติธรรมหนึ่งใช่ไหมแต่ในที่เนี้ยท่านเอาพระนิพพานมากล่าวคือเอาธรรมที่สูงสุดเลยมากล่าวคุณของพระธรรมมันได้แก่พระนิพพานเพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นสิ้นไปแล้วคือสิ้นไปรอบแล้วเพราะได้กระทําพระนิพพานให้แจ้งพระปริยบุคคลทั้งหลายที่ท่านกระทําพระนิพพานให้แจ้งเนี่ย กิเลสเครื่องกังวลในใจของท่านเนี่ยดับรอบแล้วเพราะเหตุที่ราคะคือกิเลสสิ้นรอบแล้วเนี่ยเพราะได้กระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานกล่าวคือเมื่อผ้าเรียบบุคคลทั้งหลายทำให้แจ้งซึ่งพระนินพาาพา น, านแล้วกิเลสทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นก็ถูกทําลายไปคือถูกทําให้สิ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นพระนิพพานท่านยังเรียกว่าขยังขยัง่ง บาที่บทคําว่าขยังสัพหนึ่งวิราครังศัพหนึ่งอมตตังสับหนึ่งปณีตังสับหนึ่งเนี่ยนะขยังตรงนั้นเนี่ยเออถ้าไปเห็นคําว่าไปเห็นขยะเนี่ยเนะมันสับเดียวกันเนะี่ยเขแปลว่าอะไรสิ้นไปทําทําเป็นที่สิ้นไปเขาเรียกขยังวิราครังแปลว่าทำที่สํารอกสํารอกกิเลส สำรอกราคะสำรอกโทสะสำรอกโมหะสำ r อกมานะทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังสำรอกไม่ออกใช่ไหมดึงกิเลสไม่ออกอะ่ะเมื่อดึงกิเลสไม่ออกเนี่ยหูความห่วงหาอะไรอาวรความยึดติดความผูกพันความเกี่ยวข้องความยึดถือมันยังเต็มแป้เลยมันยังสำรอกออกไม่ได้เพราะไม่มี วิราคังคือธรรมที่สำรอกก็คือพระนิพพานนั่นเนี่ความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีย่อมไม่ปรากฏการไปอย่างอื่นของพระนิพพานที่ตั้งอยู่แล้วก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกพระนิพพานว่าอมาตังอมตะนิพพานเนี่เป็นอมตะนะเพราะอัตว่าไม่เกิดไม่แก่แล้วก็ไม่ตายเป็นอมตะแท้เลยนิพพานนเนี่ย ถ้านอกจากนิพพานนอกนั้นเกิดแก่เจ็บตายหมดแล้วนิพพานยังไม่เกิดไม่แก่และไม่ตายพระนิพพานนั้นชื่อว่าเป็นธรรมที่ปราณีตที่เรียกว่าปราณีตเพราะอัตวัฏสงสุดเพราะอัตวัฏไม่เล่าร้อนพระสกยามุนีได้ทรงบรรลุธรรมที่หาธรรมอื่นเสมอมิได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในอักขับภาษาทสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำทั้งหลายมีประมาณเท่าใดทั้งที่เป็นสังคตะมีปัจจัยปรุงแต่งก็ดีเป็นอสังคตะคือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ดีเวลาคธรรมคือพระนิพานเป็นยอดแห่งธรรมเหล่านั้นคําว่าสังคตะรมเนี่ยทำที่มีปัจจัยปรุงเนี่ยเช่นขันห้าเนี่ยรู ป, ปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันโรบนำเนี่ยมีกรรมจิตอุตุและอาหารปรุงแต่งอ ย, ย่างไร แต่พระนิพพานเนี่ยเป็นอสังขตรธรรมกรรมก็ปรุงแต่งไม่ได้จิตก็ปรุงแต่งไม่ได้อาหารก็ปรุงแต่งไม่ได้อุตุความเย็นร้อนเป็นต้นก็ปรุงแต่งไม่ได้ฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นอสังขตรธรรมใดบรรดาธรรมเหล่านั้นน่ะธรรมทั้งหลายมีประมาณเท่าใดถ้ามาเทียบเยอะแยะหมดเนี่ยนะจะไม่ว่าจะเป็นโพธิปักคิยธรรมก็ได้สติปทานสี่สัมมปาปทานสี่อิทิบาสีอินทรีห้าพระห้าโพชฌงเจ็ด อรียมากมีองค์แปดเนี่ยนะไม่ประเสริฐเท่าพระนิพานเพราะพานิพานนี่เป็นธรรมที่ประณิจเป็นขยังเป็นวิราครังเป็นอมตะตังเป็นบัญญิตังเ อ, อเป็นธรรมที่ปันนิจเป็นอมาตะธรรมจริงๆว่งา ง, งั้นเถอะจากนั้นธรรมชาติอะไรที่จะเสมอด้วยพระนิพานไม่มีเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าขั้นตรัสความที่นิพานเป็นธรรมที่ไม่เสมอกับธรรมเหล่าอื่นอย่างนี้แล้ว บัดนี้เพื่อจะเข้าไปสงบอุปัถวะที่เกิดขึ้นแล้วแกสัตว์ในนครเวรสาลีนั้นโดยทรงอาศัยความที่ธรรมรัตน์คือพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ไม่เสมอกับธรรมทั้งหลายด้วยคุณทั้งหลายก็มีขยาธรรมวิราคาธรรมอมตะธรรมบณีธรรมเปหนึ่งจึงได้ทรงประกอบสัจวาจาว่าธรรมรัตน์ม้นี้เป็นรัตนอันปรณีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านั้น ก็ด้วยสัจวาจานี้อัจฉยาอันอมนุษย์ทั้งหลายในแสนกฏจักรวาลได้รับแล้วก็หมายความบอกว่าพอ ก, กล่าวคำว่าขยังววราคังอมตตังบณนีตังยธาชคาสักยามุนีสมัยโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิสมาธิกินทีอีดามีธรรมเมรัตนังบณนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหติกาวแค่ตรงเนี้ยนะสัตว์ในแสนกฏทวแสนกฏจักรวาลก็ได้รับ ความสุขความเยอกเยียนเกิดขึ้นนี่ก็อาไปสาธยายกันบ่อยๆเนี่ยอันนี้อ้างพระธรรมที่สูงสุดคืออย่างนี้ไอเรื่องสัจวาจาเนี่ยการอ้างความจริงแล้วก็อธิษฐานเนี่ยมันได้ผลมาเยอะขนาดพวกโจรเนี่ยนะโจรเนี่ยเขาอ้างความจรงิงเขายัางเขายัางเขายัางได้ผลเลยดังนั้นการอ้างถ้าอ้างระดับพุทธรัตนธรรมรัตน์ด้วยแล้วเนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยว่าสิ่งที่จะคุณทั้งหลายจะไม่เกิดก็อย่างที่เขาบอกว่ามีคนคนนึงปลอมบวชปลอมใบบิณฑบาต ท, ทุกวนันทุกวันหนีหนีหนีเขาที่มีสองสองหัวมีบัญญาก็ก็ศรัทธาใ่บาตต่อมามีอยู่วันหนึ่งเมียก็เกิดเกิดปวดท้องจะคลอดลูก พระไปบินบาบพอดีก็จูงแขนพระขึ้นไปบนบ้านมมยช่วยลูกช่วยช่วยเมียเมียไว้ทําน้ํามนต์นิดน่อยนี่แกเป็นพระปลอมแกท่องอะไรไม่ได้สักคำใช่ไหมแกไปแอบหลงแกจะทําอย่างนไงแกได้ตั้งสัลจาริษฐานบอกว่าพอเอาน้ําใส่ในขันเบ็ดเสร็จก็ตั้งริษฐานบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นพระหรอกที่บวชก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรแลยหนีบวชกลัวเขาจับ ด้วยความจริงด้วยสัจจะอันนี้ให้ให้ผู้หญิงคนเนี้คลอดโดยง่ายเธอองั้นเออแล้วคลอดง่ายเลยเออเรื่องนี้แล้วไปสอดคล้องในธรรมในในในคําในในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยข้ามุตุการเนะที่เขาเล่าออท่านอท่านเก็บออกมาเล่านี่เก็บมาเล่าคือสองสองสามีเนี่ยภรรยานเนี่ยนะแกก็ ใส่บาทให้ใหนักบวชคือพวกพราหมณ์เนี่ยนะทุกวันทุกวันนี่อยู่ต่อมาวันหนึ่งกันมีลูกชายโตแล้วลูกชายก็ขึ้นไปเล่นบนยอมบวกแล้วถูกงูกัดตายแม่ภรรยาก็ร้องไห้ร้องไห้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปรึกษากันบอกว่าเออพอพอพรามาใช่ไหมพระมาก็บอกช่วยให ไม่ใช่พระในศาสนาเนี่ยเป็นพวกนักบวชนอกศาสนาเป็นพวกพราหมณ์เนี่ยพวกนักบวชหรือาอื่นเนี่ยก็บอกว่าโหช่วยลูกเข้าพรเจ้าด้วยเถิดว่างั้นนะถูกงูกัดเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหจะทําจะช่วยไงก็อ้างคุณความดีที่ท่านเคยบวชเรียนมาอะไรต่างๆอลไรเนี่ยคนนั้นก็เลยอธิษฐานเลยนักบวชอธิษฐานก่อนเลยเนี่ยบอกว่าสาธุว่างั้นนะบอกว่าเข้าพรเจ้าเนี่ย ข้าพเจ้าบวชมาหกสิบกว่าปีเนี่ยอายุแปดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้ยินดีในการบวชเลยก็ว่ากงั้นเนี่ยที่บวชนันเป็นไปตามประเพณีที่ทำไม่ทำไปตามประเพณีเท่านั้นบอกโดยสัจจวาจาจะขอให้เด็กหนุ่มคนนี้จนฟื้นเลยว่ามือขยับได้นิดๆเลยว่างั้นเนี่ยทีนี้ทีนี้พลเอกไอ้ไฟ ฝ่ายสามีก็บอกให้เมียอธิษฐานบ้างเมียก็บอกไม่กล้าไม่กล้าอธิษฐานหรอกเอาเหอะอธิษฐานมาเถอะวางังนนนะรับได้แก่ก็เลยอธิษฐานบอกว่าสาธทก็าวางเงันนะด้วยด้วยความจริงเหมือนกันข้าพเจ้าอยู่กับพ่อของเด็กคนนี้ไม่ได้มีความรักเลยบอกาลังเกียจงูที่กัดลูกชายฉันใดก็เกลียดเอง <c oughs> <c oughs> เกลียดสามีอย่างนั้นเหมือนกันด้วยสัจจะวาจานี้คอยลูกจงฟื้นเอาฟื้นเลยนะ ก็อย่างนี้มยังฟื้นได้ใช่ไหมไอความตั้งสัจจคความจริงใจตัวนี้มันยังเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าความจริงใจที่เราอ้างกล่าวคือพระธรรมนี้ด้วยแล้วนี่ซึ่งเป็นของสูงสุดเป็นของประเสริฐด้วยแล้วเฉะนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จย่อมไม่มีวันนี่เป็นอย่างนี้นะขันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัจวาจาด้วยคุณธรรมคือพระนิพพานอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะตัดคุณธรรมคือมรจึงได้ตรัสว่า คือหลังจากตัดว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นพระธรรมที่สูงสุดแล้วต่อมาก็มาตัดมรรคบอกว่ายํพุทธเสโถปริวันยีสุจริสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมสโมโณวิชติอีดมามิวธรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุก็แปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุด ทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดบัณดิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดว่าให้ผลนในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะเมียนี้เป็นรัตน์อันปราณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ทีนี้ความหมายในคาถานี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าทรงพันนามว่าพุทธะโดยในว่า พระองค์ทรงตัดสรู้สัจจะทั้งหลายเป็นต้นคือบอกว่าเออทาไมจึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าพุทธะคำว่าพุทธะนี่พระทรงค์ตัดสรู้สัจจะทั้งสี่ตัดสรู้ทุกตัดสัตรู้เหตุให้เกิดทุกตัดสัตรู้ความดับทุกตัดสัตรู้ข้อปฏิบัติอีกประการหนึ่งนะพระองค์ตัดสรู้สัจจะทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าประเสริฐสุดพระองค์เนี่ยเป็นผู้สูงสุดคือยังไงคือเป็นผู้ควรสรรเสริญ ด้วยเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยจึงชื่อว่า <MO. S 1> พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในคำว่าประเสริฐสุดน่ะหมายถึงอะไรหมายความว่าผู้ควรสรรเสริญด้วยเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเพะั้นถ้าเราจะสรรเสริญใครเนี่ย น, นะเช่นเรามีพี่มีน้องบอกโ อ, โอ้พี่น้องคนนั้นดีนะพี่คนนี้ดีนะ อไอ g, ee, ้ลูกน้องคนนั้นดีนะอะไรเพื่อนคนนี้ดีนะเนี่ยที่เราสรรเสริญคนอื่นน่ะไม่ประเสริฐเท่ากับการเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาสรรเสริญแต่คนไม่ค่อยสรรเสริญกันนะเช่นเจอหน้ากันเคยมั้งไหมเออพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐนะอะไรเคยคุยกันแบบนี้ไหมเนียถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาสรรเสริญโหเป็นบุญมากใช่ไหมเราสรรเสริญคนอื่นกันมามากแล้วสรรเสริญพระพุทธเจ้ายิ่งประเสริฐใหญ อีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าประเสริฐที่สุดในบรรดาพุทธะทั้งหลายคือพระอนุพุทธะผู้ตรัสรู้ตามพระปัเจกพุทธะผู้ตรัสรู้เฉพาะตนนั้นในบรรดาสุปปพุทธะก็ได้อนุพุทธะสาวกพุทธะหรือปัจเจกพุทธะเรียกกันเยะแย่ๆไปหมดก็คืออนุพุทธะอนุน่ยแปลว่าตามพุทธะแปลว่าตรัสรู้ อนุพุทธะก็คือตัดสรู้ตามตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอนุพุทธะก็คือสาวกของพุทธเจ้านั่นเองพระปัจเจกพุทธะอย่างนี้ตัดสรู้เฉพาะตนนะถ้าถามบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ประเสริฐไหมประเสริฐกว่าปัจเจกพุทธะประเสริฐกว่าอนุพุทธะประเสริฐกว่าพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันเนี่ยประเสริฐกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า นี่คือพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดก็พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย ok ่อมทรงยกย่องสารเสริญถามว่าพระพุทธเจ้านี้ประเสริฐที่สุดแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้ายกย่องสารเสิร์นอะไรทรงประกาศซึ่งพระธรรมใดในที่ต่างๆโดยในว่าก็ทางอันประกอบด้วยองค์8ดเป็นทางกเกษมกว่าทางทั้งหลายทางอันประกอบด้วยองค์8ก็คือว่า สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจ่าสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็แบบทางมันประกอบด้วยองแปดถ้าประชุมองแปดได้เมื่อไรเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันถ้าประชุมครั้งแรกปุ๊บเนี่ยนะใครไปประชุมก็แล้วกัเรียกประชุมให้ได้วิธีปฏิบัติเนี่ยจะเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมถามคุณจะไปอะไรบุต จะไปเรียกประชุมองค์มรแปดต่ประชุมให้ได้ครบแปดนะถ้าประชุมให้ได้ครบแปดปุ๊บครั้งแรกเนี่ยเป็นพระโสดาบันถ้าประชุมครั้งที่สองเป็นพระสกท า, าคาถ้าประชุมครั้งที่สามเป็นพระนาคาถ้าประชุมครั้งที่สี่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมไปประชุมไม่ได้สมกัญมาองค์เดียวนอกนั้นประชุมยากเกินเรียกประชุมยากใช่ไหม แล้วไม่ใช่ให้ค่าจ้างรางวัลแล้วเขาจะมานะองค์มรรคเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนเยอะเช่นสัมมาทิฏฐิยังเรียกยากแล้วใช่ไม่ใช่เอาเห็นยังไงมองได้ยินยังไงได้กลิ่นยังไงริมรถยังไงสัมผัสยังไงคิดนึกอย่างไรที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิเงี่ยแค่นี้ก็คิดยากแล้วนั้นเราจะประชมอเขาหล่อไปไหนออกจะไปไปชมองค์มรรคแประปชมทําไมหรอเพื่อเป็นคุทางแห่งความดับทุกข์ นั้นทางอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางกเกษมกว่าทางทั้งหลายทางเรือทางรถทางเครื่องบินที่เราไปกันบ่อยๆเนี่ยเนยที่เราเดินทางกันจะทั่วไปหมดเนี่ยเนียอันนี้ไม่ประเสริฐเดินไปแล้วครุกคลาตรงที่มีปัญหายเยอะทางมีองค์แปดนี่เรียบสะดวกแล้วก็น่าเดิน พระเจ้าเชิญชวนมาตั้งสองพันกว่าปีพอหมดยุบพระพุทธเจ้าคนอื่นชวนเลยไ ม, ไม่ค่อยมีน้ำหนักเลยคนไม่ค่อยไปนั้นทางประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางกเกษมกว่าทางทั้งหลายเพื่อบรรลุพันิพันธ์นะพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจาะแสดงสัมมาสมาธิซึ่งเป็นอริยะซึ่งมีทั้งเหตุมีทั้งบริขารดังนี้เป็นต้น ก็ว่ามีทั้งเหตุมีทั้งบริขารก็หมายความบอกว่าเหตุที่จะทําให้เกิดสมาสมาธิเนี่ยใช่ไหมเหตุที่จะทําให้เกิดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตยฌานที่เกี่ยวกับการเป็นสมาสมาธิเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระองค์ก็แสดงแล้วสมมาสมาธิเป็นต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบริขารก็หมายความว่าต้องอาศัยธรรมะที่เกิดร่วมอีกเยอะ ช่วยปรุงแต่งอีกมากไม่ใช่มีแต่สมาธิอย่างเดียวโดดๆแล้วก็มาเกิดได้ไม่ใช่ต้องอาศัยทั้งเหตุทั้งบริขารสมาธิที่ว่านี้พระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงสุจิคือสะอาดผ่องแผ้วที่สุดด้วยการกระทําตัดมุลทินคือกิเลสเนีก็สมาธิใดที่บันดิตทั้งหลายกล่าวว่าให้ผลในลำดับต่อจากตนสมาธินั้นคือมัคคสมาธิเห็นไมคาบอกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดบันดิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดว่าให้ผลในลำดับคำว่าให้ผลในลำดับเนี่ยหมายความว่ามักคัสมาธิเวลาโลกุตละมัคเกิดขึ้นนี่นะตัวสมาธิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวิมสมาสติสมาสมาธิ ประชุมกันในโลกุตละมัคเป็นมัคคสมาธิมัคคสมาธิเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกุตละจิตเนี่ยพอเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วจะให้ผลในลําดับแปลว่าพอมัคคนั้นดับปุ๊บแล้วผลจะเกิดต่อทันทีเลยไม่ต้องไปรอชันนะเออเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนให้ทานนะไม่ใช่เหมือนการรักษาศีลอย่างปัจจุบันนี่นะ ถ้ให้ทาน ร, รักษาศี g, ลหรือการเจริญกุศลแบบพื้นฐานอย่างนี้ก็คือว่าทําทําครั้งนี้ปัจจุบันนี้ ท, ทําปฐมอวัยไปได้ในปฐมอวัยอาจจะสองวัน3าวันถึงเจ็ดวันเป็นต้นก็ได้หรือในในในปฐมอวัยก็ได้บางทีทำปฐมอวัยได้มัจฉิมอวัยทำปฐมอวัยได้ปัจฉิมอวัยก็ได้หรือบางทีทําในเนี้ยทําในชาตินี้ได้ชาติหน้าชาติที่สองถัดไปก็ได้ทําในชาตินี้ได้ชาติที่สามเป็นต้นไปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น เกี่ยวกับกรรมอย่างอื่นเนี่ยถ้าทําแล้วต้องรอเวลาให้ผลแต่ถ้ามัคคสมาธิเนี่ยให้ผลในลําดับแห่งตนเข้าใจไหมเออให้ผลในลําดับแห่งตนคําว่าให้ผลในลําดับแห่งตนก็คือว่าผลเกิดต่อจากมัคทันทีอันบังเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่มีอันตรายใดๆในการที่จะห้ามการบังเกิดขึ้นของผลแห่งสมาธินั้น ผลแห่งสมาธินั้นได้แก่ผลสมาธิอันเกิดต่อจากมัคคสมาธินั่นเองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระคถาว่าก็สมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิคือมัคคสมาธิย่อมไม่มีท่านอธิบายบอกว่ารูปาวจรสมาธิอรูปาวจรสมาธิเช่นสมาธิในปฐมฌานสมาธิในทุติยฌานสมาธิในตติยฌานสมาธิในเจตุตฌาน สมาธิในอากาสาัญจายตนะสมาธิในวิญญาณัญจายตนะอากินยัญญายตนะและสมาธิในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาธิเหล่านั้นที่จะเสมอด้วยมรคสมาธิที่ให้ผลในลำดับแห่งตนนั้นไม่มีก็าบอกโอ้โหมรคสมาธินี่ประเสริฐขนาดนี้นะเพราะว่าสมาธิในปฐมฌานนี่นะเช่นว่าเราท่านทั้งหลายทำปฐมฌานได้สมมติว่าจเจริญ กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งยังปัตถมชฌานให้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหได้โโโโปัจจุบันยิงอยู่มีความสุขเนี่ยกว่าผลจะให้ต้องรอตายก่อนนะตายแล้วต้องสมาธิไม่เสื่อมด้วยนะสมาธินั้นก็ยะในเจตนาในสมาธินั้นก็นําปฏิสนติในพบต่อไปเกิดเป็นพรหมอย่งี้เป็นต้นสมาธิต้องใช้สายการเวลาแต่สมาธิในมัคสมาธิเนี่ยให้ผลในลําดับแห่งตนโอูโหน้าหน้าทํำนะ เอาเอาไปใครครวรเอาไปปึกเอาไปพิจารณาใครครวนก็บอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะํำคัญไปคิดสองนาทีไปเรื่องอื่นชั่วโมงกลับมาตั้งหลักใหม่สำคัญไปอย่างนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ตอบว่าเพราะท่านที่ได้รูปาวจรสมาธิและอรูปาวจรสมาธิแล้วเกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆ ตามสมควรแก่สมาธิที่ตนเองได้คั้นสิ้นกรรมแล้วก็ยังมาเกิดในอบายภูมิในโลกอีกเป็นต้นก็ได้นี่ไม่ประเสริฐขึ้นตรงนี้เช่นบุคคลที่ไปเกิดเป็นพรหมนี่นะเคยมีใช่ไหมที่บอกว่านังลูกสุกรที่ตนเองพระพุทธเจ้าเห็นเห็นลูกนังลูกสุกรพระพุทธเจ้าก็ยิ้มพระโอษฐแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามพระนนนท์พรนนก็ถามพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้เนี่ยก็เลยกล่าวคติเลยว่าเป็นมาอย่างไรเป็นต้นะ โอ้เคยมีอยู่ชาตินึงนะเข้าไปที่เวสตกุดีเนี่ยไปเห็นอุจล้าปะสว่าพอไปเห็นเบสเเนี่ยเจริญปุรา ว, ราวกะกรรมฐานยังปฐมชาตให้ตั้งขึ้นแล้วไปเกิดเป็นพรมได้แล้วอยู่ต่อมายังมาเกิดเป็นหมูเลยโดยที่โอ้หน้ากก่งจริงยังไม่เช้าไม่เจอเนะคิดว่ย เ อ, เอาอาหารไปให้สุนัขเนี่ยใหปุ๊บเนี่ยเขาคาปุ๊บเขาอิ่มเขาวิ่ ง, ว, งวิ่งไปเขาไปคุยคุยคุยแล้วก็ถมถมไ้ลองคิดดูจิตเขาก็จะผูกอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมถ้าเขาตายอะ่ะจิตก็จะน้องแยเกิดอยู่แถวแถวนั้นนะบางคนเนี่ยตายแล้วเกิดอยู่ในตัวเองลองคิดดูคือตายปุ๊บก็เกิดอยู่ในร่างของตนเองนะเป็นเหาบ้างเป็นนอนบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะ ก็ตายพุ๊บก็ปฏิสนธิในนั้นพ่อรักไงบางคนโอ้ชื่นชมยินดีอาลัยอาวอนในสรีละในร่างกายตนเองรุ่งเกินไปตายปุ๊บก็ น, น, นะกนั่น น, าาน่นะนนนห น, อ น, นีออกจากร่างตนเองไม่ได้บางคนก็ไปเกิดในเสื้อผ้าตนเองโอ้โหถ้าไม่ทําปัจจเอวกในเสื้อผ้าน่าคิดกันนั่นน่ะเอามาพิจารณาะบ่อยๆ อ, อย่าให้ตั้หาฉาบติดนะในเสื้อผ้าในตู้กับข้าวในอะไรต่างก็แล้วแต่เพราะมีสัตว์ไปถือปฏิสนธิได้ทั้งนั้นเนี่ย ยันถ้าคิดในลักษณะอย่างนี้แล้วก็วัตฏานี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันก็น่ากลัวทีนี้ฉะนั้นสมาธิในรูปาวาจรและอรูปาวาจรเป็นต้นเนี่ยก็ยังไปเกิดในพรหมโลกต่างๆแล้วในที่สุดจริงๆไม่สามารถที่จะปิดอาบายภูมิได้ก็ไปเกิดตามสมควรแก่สมาธิขั้นสิ้นกรรมแล้วไปเกิดในบบาญภูมิได้แต่ บุคคลผู้เป็นพระริยะบุคคลผู้ได้มัคคสมาธิเนเมื่อได้มรคคสมาธิเพิกถอนการเกิดในภพทั้งปวงเสียได้เพราะท่านอบรมอรหัตตสมาธิเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสในอักขปสาทสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมทั้งหลายที่เป็นสังคต ธ, ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด อริยมรรคมีองค์แปดเราจะถาคตกล่าวว่าเลิศกว่าสังฆาตธรรมทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้ก็บอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังฆปาสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิศีลสมาธิปัญญาที่ย่อลงกล่าวคืออริยมรรคมีองค์แปดที่ในโลกุตระมรรคโลคุตระจิตประเสริฐกว่าสังฆาตธรรมทั้งหลาย ประเสริฐกว่าทานกนะุศลศีลกุศลและภาวนากุศลประเสริฐกว่าปฐมฌ า, านทานุติยฌานตติยฌานตติยานเจตุยฌานประเสริฐกว่าอารูปฌานทั้งสี่ทำไมถึงประเสริฐกว่าก็เพราะว่าอาริยมรรคมีองค์8เนี่ยเมื่อบุคคลสามารถประชมุมอริยมรรคมีองค์8ได้แล้วครบสี่ครั้งนีตัดวัฏฏได้เลยเลไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้เจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว แต่ถ้าหากประชุมครั้งแรกได้เป็นวสดาบันก็ปิดอวัยภูมได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกน่าทำเยอะไหมพอเราศึกษาเงี้โอ้พระธรรมนี่น่าเอามาสู่ในใจโอปัญยิโกน่าอยากจะน้อมเข้ามาสู่กระแสจิตของเราจริงๆนะใช่ไหมโอปัญยิโอน่ยกน้อมเข้ามาใส่ตนเน่ควรจะน้อมโลคุตละธรรมมาอยู่ในกระแสจิต น้อมอะไรน้อมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวสัมมาวิยมสัมมาสติสัมมาสมาธิเข้ามาอยู่ในใจของเราให้ได้นะถ้าวันไหนน้อมเข้ามาสู่ได้เงียบเก็บเลยนะไม่บอกใครสบายแล้วหลุดพ้นจากบายภูมิได้แต่ตอนนี้กูยังเป็นทุกข์ใจอยู่ ท่านว่าผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงสมาธิที่ไม่เสมอกับสมาธิเราอื่นอย่างนี้แล้วทรงอาศัยความที่ธรรมรัตน์คืออริยมรรคมีองค์แปดเป็นรัตนะที่ไม่เสมอกับรัตน์เราอื่นจึงทรงประกอบสัจจวาจาว่าธรรมรัตน์แม้นี้เป็นรัตน์อันประนีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้และด้วยสัจวาจานี้อาชญาอันสัต อันเหล่าสัตว์คืออนมนุษย์ทั้งหลายในแสนกฏจั ก, กรวาลได้รับแล้วพระผู้มีพระเจ้าทรงกล่าวถึงพระธรรมคุณคุณของพระนิพพานและอริยมรตมีองค์แปดให้สังเกตนะว่าในบทว่า ยามพุทธเสถโธปริวะปริวันนยีสุจิงสมาธิมานันตริการยมาหูสมาธินาเตนสโมโณวิชติอิดํมบีธรรมเมรัตนังบณีตัเอเตนาสัจเจนะสุวัธโหตุบอกว่าผู้เจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดว่าให้พ้นในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นนี้เป็นรัตน์อนปราณีด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจะมีแก่สัตว์เหล่านี้อันนี้เป็นการกล่าวถึงมรคสมาธิกล่าวถึงมรคสมาพระนิพานกล่าวแล้วบทหนึ่งมาบทนี้กล่าวถึงมรคประการต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงสังขรัตนะเลยไม่กล่าวเอาไม่เอาผลมากะออผลนะเมื่อกล่าวมรคจริงๆอะผลก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนั่นแหละเพราะเมื่เกียวบอกว่าให้ผลในลําดับแห่งต น, น, นก็คือให้ผลละจิตละเกิดขึ้น ให้โซดาผลสกาา่าทาคาผลนะนะคาผลอาจจะผลเกิดขึ้นด้วยแต่โดยคาถาใจความแล้วกล่าวพระนิพพานแล้วก็กล่าวมรรคประการต่อไปก็คือกล่าวสังขรัตนะรัตนะคือสังฆะเนี่ยนะจัดเป็นคาถาว่าเยปุคลาอัฏฐสตังปัสถาจัตตาริเอตานิยุคานิหุนติเตดักขีเนยะสุขตัดสะสาวกาเอเตสุ ดินนานิมหภาภลานิอิดัมบิสังเครตนางบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหตุเขาแปลว่าบุคคล8ดจำพวกสี่คู่เคยสวดกันบ่อยนอง8ดจำพวกสคู่นี้คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเปลียงตัวบูรุษได้ได้8บุคคลนี่อันสัตบุรุษทั้งหลายสารเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ทักษิณาทานเป็นสาวกของพระสุคต ทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากสังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ต่อไปท่านก็อธิบายสังขรัตนะนว่าภ้าริยาบุคคล8ปดจำพวกคือท่านผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อผลสี่จำพวกแล้วกับท่านผู้อยู่แล้วในผลอีกสี่จำพวกเป็นอันสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าพระปเจพทะเจ้าและสาวกทั้งหลาย พระริยบุคคล8ปดจำพวกก็คือโสดามร์กโสดาผลสกาธาคามร์สกาธาคาผลน า, าคามร์น า, าคาผลและอรหัตมร์มอหรหัตผลเนี่ยแปดนะถ้านับเป็นสี่ก็ได้โสดาบันสกาธาคานาคาพระอรหันต์นับเป็น8ก็แยกมรก์กับผลมร์สี่ผลสี่เป็นแปดใช่ไหมตลอดจนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราอื่นสรรเสริญแล้วด้วยว่าพระอริยบุคคล8ปดจำพวกเหล่านั้น ประกอบด้วยคุณมีศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณที่พร้อมกันกับตนก็คือพาริยะบุคคลเหล่านั้นมีคุณหลายประการนะคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดร่วมกันเป็นต้นให้สังเกตดูว่าพระาริยะบุคคลเนี่ยในสมัยครัพุทธกาลหรือแม้ในปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะถ้าท่านไปอยู่รวมกันเนี่ย คือแต่ละบุคคลน่ะล้วนแต่มีศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณะท่านสนะคุณใช่ไหมท่านมีคุณธรรมหลากหลายนะั้นเวลาท่านไปอยู่รวมกันเนี่ยนะดุดดอกไม้ทั้งหลายมีดอกจำปาเป็นต้นเหมือนอย่างนั้นเละความงามเนี่ยนะดอกไม้เวลาไปอยู่รวมกันมากๆเนี่ยก็จะเห็นความงดงามอยู่ใครเคยเห็นดอกทานตะวันไหมในทุ่งทานตะวันไหมไปอยู่หูเหลืองอลามงามเรียกว่าไงเนน่ยทีนี้ พระยาบุคคลทั้งหลายเหมือนกันเวลาไปอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยยิ่งงามยิ่งอยู่มากก็ยิ่งงามแต่ถ้าปุถุชนอยู่รวมกันมากๆยิ่งอยู่มากยิ่งยุ่งใช่ไหมใครก็อยู่รวมคนเยอะๆยำรุนอยู่มากวุ่นหมดเลยคุมแทบไม่อยู่แต่พระยาบุคคลไม่เลยงาม ซึ่งมีสีและกลิ่นที่เกิดพร้อมกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระยะบุคคลเหล่านั้นจึงเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและเป็นผู้ที่สัตว์บุรุษสรรเสริญนี้เป็นความหมายของสังขรัตนะอีกในหนึ่งนะเออถ้าเรามองลักษณะอย่างนี้นะว่าพระในสมัยก่อนๆเนี่ยเวลาท่านจะไปเจริญกรรมฐานยกตัวอย่างเช่นถ้าจะไปเจริญอาณาปานสติกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ได้เรียนเฉพาะอาณาปานสติกรรมฐานอย่างเดียวนะ ท่านเรียนเมตตากรรมฐานด้วยเรียนอสุภะกรรมฐานด้วยเรียนมรณานุสติด้วยเรียนพุทานุสติด้วยอย่างเนี่ยนะคือท่านจะต้องเรียนสภกาวะกรรมฐานกรรมฐานที่จําปรารถนานิกิจทั้งพวงด้วยเพราะก่อนที่ท่านจะเจริญกรรมฐานที่เป็นปริหาริกากรรมฐานคือกรรมฐานที่ต้องบริหารอย่างต่อเนื่องท่านแผ่เมตตากันท่านคิดเมตตามากมาก คือคิดถึงใครก็เมตตาใส่ไปด้วยคิดถึงใครก็เมตตาใส่ไปด้วยเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่บางคนไม่ค่อยทำเนี่ยเช่นเราจะคิดถึงใครปุ๊บเนี่ยก็ให้มีเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอือ้อทอนแบบจับจิตจั บ, จบใจตามไปกับความคิดนั้นๆด้วยเนี่ยถ้าคิดในลักษณะอย่างนี้ถ้าคิดถึงอมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยต่อไปในเทวดาก็อ่อนโยนนะเออเมื่ออ่อนโยนก็มาอารักขาภิกษุหรือสั ม, มเนนผู้นั้นเป็นต้น หรือว่าผู้นั้นเป็นต้นนี่เราก็เวลาจะไปเจริญกรรมฐานทำกิจใดๆต่างๆนี่เราก็ต้องทำเจริญเมตตาเยอะๆใช่ไหมเพราะอะไรหวังให้เทวดามาอารักขาใช่ไหมอีกนายหนึ่งท่านอธิบายว่าในนายแรกว่าเยปุขลาอัฏาสตังปัสสถาคำว่าเยปุขลาอัฏาสตังปัสถานั้นก็แปลว่าบุคคลแปด จำพวกเหล่าใดอันสัตบุรุษสารเสริญแล้วแต่ในที่สองท่านแปลว่าคือในแรกนี่นะกล่าวถึงบุคคลแปดจำพวกคือโสดามากักโสดาผลสกาทาคามากักสกาทาคาผลอาณาคามากักอาณาคาผลอาหลาตมรคอาหลตผลใช่ไหมเอาแปดจำพวกอันสัตบุรุษสารเสริญแล้วแต่พอมาถึงในที่สามในที่สองนี่นะท่านแปลบอกว่าบุคคลร้อยแปดจำพวก เหล่าใดเป็นผู้ประเสริฐซึ่งท่านแก้ว่าเยนั้นเป็นคําที่ไม่กําหนดจํานวนคําว่าเยเนี่ยไม่ได้กาหนดส่วนคําว่าปุกคลานั้นได้แก่สัตว์ทั้งหลายส่วนคําว่าอัฏฐสตังเนี่ยแปลว่าร้อยแปดอัฏฐสตังแปลว่าร้อยแปดเป็นคํากําหนดคุณของพระอาริยบุคคลเหล่านั้นว่ามีอยู่ร้อยแปดจำพวกอันนี้ก็ย้อนไปคําว่าปุกคลาที่แปลว่าสัตว์ทั้งหลาย ก่อนบอกว่าความหมายนี้เป็นการแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าพระ้าแยบุคคลนั้นได้แก่สัตว์ทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายที่บรรลุอริยสัจจะทําแล้วใครที่ตัดจรู้ทุกตัสจรู้ทุกขสมุทัยตัดจะรู้ทุกขนิโรธตัสรู้ทุกขนิโรธคามีนีปฏิบัติแล้วไม่ได้มุ่งแต่มนุษย์เท่านั้นและก็ไม่ได้มุ่งเฉพาะบรรพชิตคือภิกษุอย่างที่บางท่านเข้าใจนะ ที่จริงขึ้นชื่อว่าพระอาริยสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งพระอาริยะเจ้านั้นไม่จํากัดว่าเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นเพศหญิงเพศชายก็ได้เป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชก็ได้ขอเพียงให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดอาริยสัจสี่อย่างนั้นเขาก็เรียกว่าอาริยะดงนั้นคําว่าอาริยสงฆ์เนี่ยนะไม่ได้จํากัดเฉพาะว่าเป็นพระ หรือเป็นผู้หญิงผู้ชายใครก็ได้เอาบุคคลที่ไม่ไมใครก็ได้อย่าไปชีคนน้คนนั้นคนนี้ใครก็ได้ในต้องแทงตลอดอริยสัตว์ด้วยในที่นี้มีไหมไม่มีม่แต่ไม่แน่เทวดานั่งฟังอยู่จะมีกันเทวดาถ้าดันนั่งฟังนั่งยิ้มเลยเนยะโอ้โอหัวต่สอนอยู่แล้วไม่ปฏิบัติแตที <c oughs> เทวดาตำหนเอะไรจะไม่เป็นไรนท่านตำหนิถูกรับไว้ส่วนที่ท่านนับพ้าเรียบบุคคลผู้เบเสษว่ามีแปดหนือร้อยแปดนะั้นนับยังไงโอ้โหนับร้อยแปดนี่นับยากเนะถ้าใครศึกษาดีๆนับได้คือเขานับอย่างนี้ด้วยมสามารถแห่งการเกิดในการมาพบ หในรูปภพหนึง ado, น่งเกิดในอารมภพหนึ่งรวมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีมีอยู่หกย่ำพวกก็หมายความว่าพระโสดาบันที่ funnel, a, เกิดในการมาภพหนึง <ล Belarus. S 2> ่งย่ำพวกเกิดในรูปภพหนึ่งย่ำพวกและเกิดในอารมภพหนึ่งก็เป็นสามย่ำพวกพระสกทาคามีก็เหมือนกันก็เลยมาบวกรวมกันก็กลายเป็นหกย่ำพวกใน6กย่ำพวกก็เอาปฏิปทาสี่มาคูนก็ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทาพิน ขีป่าพิญญาสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาสุขาปฏิปทาขิป่าพิญญาเนเอาสีเนี่ยมาคูณนะปฏิปทาก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าหนึ่งนี่อย่างหนึ่งนะทุกขาปฏิปทาขิป่าพิญญาคือปฏิบัติลำบากรู้เลยรู้ได้เร็วหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกสบายแต่รู้ได้ช้าหนึ่งสุขาปฏิปทาขิป่าพิญญาปฏิบัติสบายทั้งรู้ได้เร็วหนึ่งเอาแบบไหนดี เอาปฏิบัติลําบากรู้ชา้าปฏิบัติลําบากรู้เร็วปฏิบัติสะดวกรู้ชา้าปฏิบัติสะดวกแต่รู้เร็วเอาไงเอาสะดวกรู้เร็วเอาง่ายจรคือกรณีเห่งการที่อีกในหนึ่งท่านกล่าวบอกว่าคาว่าปฏิบัติลําบากเนี่ยคือคนที่มีแล้วรู้ช้าเนี่ย คนที่มีคนที่มีตัณหาพวกพวกมีการมาคุณเยอะๆเนี่ยปฏิบัติยากปฏิบัติยากเวลาจะปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันมันมีปัญหาเยอะมีเสียงกระซิบเยอะจะมานั่งอยู่ทำไมสมัยก่อนเคยเคยเคยไปอยู่ปฏิบัติไอความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้ว ทำไมเราต้องมานั่งอยู่คนเดียวอย่างงี้ให้มานั่งกินเออมันเหมือนกันในในคำสอนจริงๆเลยนะในคำสอนบอกว่ามีพระองค์หนึ่งบอกในบรรดาคนที่โชคลายคนที่เลวหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเรานี่แหละว่าเขาสนุกสนานกันอยู่ในบ้านในเมืองเราก็มานั่งทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวอย่างงี้เออดีพอคิดอย่างนี้เทวดาเขามาปลอบ แต่ว่าเราไปอยู่คนเดียวพอคิดอย่างนี้หาคนปรอบไม่ได้เลยบุญน้อยจริงๆต้องรีบหาคำสอนมานั่งตึกนั่งคิดตัวเองในปฏิปทาสี่นั่นนะ่ะนะในปฏิปทาเมื่อคูณกับพระโสดาบันสามจำพวกพระสกท า, าคามีสามจำพวกก็ได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมเอาหกไปคูณสี่ก็ได้ยี่สิบสี่ นี่ท่านนับผานาคต่อมาก็ท่านก็นับผ้านาคามีมีอยู่สี่มียี่สิบสี่จำพวกผ้านาคามีคือมีอยู่ห้าเนีอันตระปรลิณิพายีอุปหจารปริณิพาลีสังขารปาิณิพายีอ ส, สังขาราปรลิณิพา ย, อาาาายีอุทังโสโตโอกติทคามีห้านี่นะห้าจำพวกเนี่ยเกิดในสุทาวาสภูมิสี่เอาสี่ก่อนคือเอาในอวิหาตาปาสุทัสสาสุทสัสสีได้ทั้งห้าจำพวกจึงเป็นผ้านาคามียี่สิบ แล้วก็ในอคติถาภูมิมีผ้านาคามีสี่จำพวกเมื่อรวมกับผ้านาคามีที่เกิดในสุทธาวาสภูมิห้ายี่สิบก็กลายเป็นยี่สิบสี่จำพวกสรุปแล้วก็คือว่าพระโสดาบันพระสกท า, าคามีคิดโดยพิสดารมียี่สิบสี่จำพวกผ้านาคามีที่มีห้าจำพวกเอาไปคูนเอาไปบวกกันกับภพบภูมิที่เขาไปเกิดในสุทธาวาสภูมิสี่แล้วก็อคติถาภูมิอีกหนึ่งเป็นห้านั้นก็รวมเป็น 2ี่สิจำพวกที่พระอาหารหันต์ท่านแบ่งเป็นสองจำพวกคือเป็นสมถายานิกะกับสุขาวิปัสสกาสมถายานิกะก็คือผู้มีสมถะเป็นญาณเดบลเป็นพระอาหารนะหันต์เนีคือเจริญสมถะมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยปัสนาที่หลังส่วนวิปัสสุขาวิปัสสกานี่เจริญวิปัสนาล้วนๆเนี่ยนอกจากนั้นก็มีพระญาติบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคที่เราเรียกว่ามรรคบุคคลอีกสี่จำพวก คือโสดาปฏิมักขบุคคลหนึ่งสกาทาคามักขบุคคลหนึ่งอน า, าคามักขบุคคลหนึ่งอาหารธรรมข้บุคล 1, ค, บคลหนึ่งรวมเป็นพระเดียบุคคลหรืออริยสงฆ์54าสิจำพวกคือพระโสดาบันกับพระสกาทาคามี24พราะนาคายี่สพระลรหันสองและวมักบุคคลอีก4รวมเป็น54ทีนี้54เนี่ยเอาสองไปคูณ เอาศรัท ธ, ธาธุระกับปัญญาธุระไปคูณกลายเป็นร้อยแปดเลยใช่หมห้าสิบสี่คูณสองไงคือในสองบุคคลเนี่ยในห้าสิบสี่นี่นะแบ่งเป็นสองประเภทประเภทศรัท ธ, ธาธุระกับพวกปัญญาธุระพวกแรงมาทางสายศรัท ธ, ธาแรงมาทางสายปัญญาอนี้นะสองสายเนี่ยเป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยสัจเลยกลายเป็นร้อยแปดจพวก พระยบุคคลร้อยแปดจำพวกนี้ย่อเป็นอรยายะบุคคล8ปดจำพวกก็ได้หรือพระอายะบุคคล4คู่ก็ได้หรือพระโสดาปฏิมักแล้วก็พระโสดาปฏิผลคู่หนึ่งสกาทาคามีมักสก่ทาคามีผลคู่หนึ่งอนาคามีมักอนาคามีผลคู่หนึ่งอาราตมักอาหาตผลคู่หนึ่งรวมเป็น4ี่คู่8บุคคลอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นพระอายะบุคคลที่ท่านจัดไว้ว่าสีสี่คู่8บุคคลหรือว่าร้อก็ตามท่านทั้งหมดเนรวนเป็น ทักขีในยะบุคคลคือผู้ควรแก่ทักศินาทานคือทยธรรมที่บุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมให้อยู่ด้วยความเคารพโดยมิได้คำนึงว่าท่านได้เคยทำประโยชน์อะไรแก่เราเป็นต้นหรือหมนคือคนก็มีศรัทธาในพระอริยสงฆ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดนะว่าโอ้ท่านคนนี้จะมาทำอะไรให้กับเราแต่ที่เขาไปให้เนี่ยเขาเชื่อกมและเชื่อผลของกรรม เขมีศรัทธาเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมอย่างนี้เขาคุ้ให้แล้วก็คิดว่าทานที่เขาให้แล้วเนี่ยมีผลมากเขาจึงให้ให้อยู่ด้วยความเคารพโดยไม่ได้คำนึงดังที่ได้กล่าวแต่เคารพในคุณธรรมของท่านจึงให้พระรยบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคตพุทธเจ้าคือเป็นผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าคําว่าผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนื้อเรียกว่าสาวกทานมีนิดหน่อยก็ได้มีข้าวทัพพีหนึ่งก็ได้ ที่บุคคลให้แล้วในภ้าอริยะสาวกเหล่านั้นของพระพุทธเจ้าชื่อว่ามีผลมากเพราะทักษิณาเข้าถึงความบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกและผู้รับธรรมเออในเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในอักขปภาษาทสูตรบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่หรือคณะมีประมาณเท่าใดหมู่แห่งสาวกของพระตถาคตเราก่าวว่าเลิดกว่ามูหรือคณะเหล่านั้นได้แก่ คู่แห่งบุรุษสี่คู่บุรุษแปดบุคคลเนี่ยคือสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าชนทั้งหลายเราใดเลื่อมใสในสาวกของพระผู้มีพระเจ้าชนเหล่านั้นย่อมได้รับผลนันเลยเออตรงนี้ก็คือว่าทานทั้งหลายแม้จะน้อยที่บุคคลให้แล้วในอริยาสาวกนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่ามีผลมากเพราะทักษนาเข้าถึงความบริสุทธิ์ในฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับคือผู้รับเนี่ยเป็นผู้ไม่มีตัณหามานณะทิฏฐิ เ, เนี่ย ผู้รับเป็นพระโสดาบันสกาธานาคาพระละหันเนี่ยฉะนั้นทานที่ให้กับบุคคลที่เป็นผ้าอริยะบุคคลจึงมีผลมากจึงมีอริสง์มากเขาเรียกว่าข้าวเนี่ยเอาไปหว่านลงในนาที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยนาที่อุดมสมบูรณ์นี่มันเต็มไปด้วยปุ๋ยด้วยน้ําด้วยอะไรต่างๆเหล่าเนี้แล้วหว่านข้าวกาล้าเราดีด้วยเนี่ยนะหว่านลงไปโนโ้จเจริญงอกงามในฉันใดการให้ทานกับพระอริยาสาวกก็ฉะนั้น พระผู้มีภาะเจ้าขั้นตรัสถึงคุณของสังขรัตนะด้วยสา ม, มารถในบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคและผลแม้ประการทั้งปวงอย่างนี้แล้วอาศัยคุณเหล่านั้นประกอบสัจวาจาว่าสังขรัตน์แม้นี้เป็นรัตน์อันประณีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้คือสัตว์ที่ได้รับภัยในเมืองเวสาลีก็อาชยาอันอมนุษย์ทั้งหลายในแสนกว่าจักรวาลได้รับแล้ว พระคู่เมียภาคเจ้าตรัสสัจวาจาด้วยหน้าแห่งคุณของพระอริยสงฆ์แปดจำพวกอย่างนี้แล้วจึงทรงเริ่มตรัสถึงคุณของพระขีนาสพทั้งหลายตอนนี้พอตรัสถึงคุณของพระอริยะแล้วเนะี่ยต่อไปตรัสถึงคุณของพระขีนาสพคําว่าพระขีนาสพนี่แปลว่าอะไรอะขีนะบวกอาสวะขีนณาแปลว่าพ้นอาสว ะ, ว ะ, วะแปลว่าเครื่องหมักดองก็ได้ ขีนาสวะคือว่าผู้ที่พ้นแล้วจากเครื่องหมักรองพ้นแล้วจากกามะกามาสวะภาวสวะทิฏฐาสว ะ, สวะอวิชชาสวะเขาเรียกว่าขีนาศบพ้นจากกิเลสทั้งหลายนั่นเองผู้เสวยความสุขอันเกิดแต่ผลสมาบัตบางพวกเท่านั้นก่อนจึงได้ตรัสว่าเยสุปายุตตามนาซาดันเฮนะ นิกามิโนโคตมศาสนามหิเตปติปัตตาอมตะวีไ ย, ยหารัฐามุธานิพุติงพุญชมานาอีดัมบีสัง่งเครัตนังปณีตังเยเตนะสัตเจนะสุวติโหตุแปลว่าผ้าเรียบุคคลเหล่าใดในาศาสนาของพระโคดมประกอบดีแล้วประกอบด้วยกายประโยคะและวจีประโยค่ววาคอันบริสุทธิ์เนี่ยเขาบอประกอบดีแล้วเนี่ยเยสุปยุตตาเนี่ยไอ สุ ป, ปยุตตาก็แปลว่าประกอบไปดีแล้วสุ ป, ปยุตตานี่เหมือนคำว่าสัมปยุตประกอบไปดีแล้วประกอบอะไรดีประกอบกายประโยคะ้วจีประโยคาาะยคาอันบริสุทธิ์แล้วมีใจมั่นคงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในกายและชีวิตภาริยบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรลัพผลที่ควรบรรลุอย่างลงสู่อมตะนิพพานได้ซึ่งความดับกิเลสโดยไม่เสื่อมเสิผลอยู่ สังครัตแม่นี้เป็นสังรัตน์อันประนีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้อัตถกถาท่านอธิบายบอกว่าพระอริยบุคคลเหล่าใดประกอบแล้วด้วยดีคําว่าประกอบแล้วด้วยดีคือละการแสวงหาต่างๆหมายความว่าละอาชีพที่ทุจริตอาศัยการเลี้ยงชีพอันบริสุทธิ์การเลี้ยงชีพอันบริสุทธิ์นี่เขาเรียกว่าอาชีวะปริสุทธิ์ใช่ัหม อาชีพบริสุทธิ์ถ้าเนี่ยนอกจากมีปาติโมกสังวรศีลอินรีย์สังวรศีล อ, อ, อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลปัจจะยาสันนิสิตาศีลแล้วนะยังต้องมีศีลที่เกี่ยวกับอาภิสมาจารด้วยนะพวกศีลที่เกี่ยวกับอาภิสมาจารนี่นะเป็นข้อปฏิบัติหรือในมหาวัดเนี่ยทั้งสี่เป็นต้นเหล่านี้ยังต้องมีข้อปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างเช่นนะ เออมีอยู่ข้อหนึ่งบอกในดีกาท่านบอกต้องไม่มีมายาพระต้องไม่มีมารยาเออมายาคืออะไรรู้ไหมยกตัว อ, อย่างเช่นแก้งทําเป็นนั่งนั่งตัวตรงๆทําท่าให้คนเห็นว่าตนเองเคร่งเนี่ยแล้วจะได้ให้คนเข้าใจว่าโอ้ตอนเองเนี่เป็นคนมีศีลมีคุณธรรม ท่านสูงๆเนี่ยนะควจะได้ศรัทธาเยอะๆเออไปทําความรู้สึกอย่างนั้นเขาเรียกมีมารยารู้ป่ารียมารยาเรียขฆราวามีมารยาเป็นแบบนี้ไหยสภาเป็นแบบนี้นะว่าเออไปแกล้งหรือบางทีแกล้งฉันแต่น้อยหรือแท้จริงไม่ได้มันแท้จริงอะหิวอะแต่ก็แกล้งฉันแต่น้อยเพื่อเพื่อสิอ่งนี้เขาเรียกมารยาหรือว่าแกล้งว่าอฉันครั้งเดียว แต่หวังศรัทธานะาฉะนั้นข้กละการแสวงหาคือการเลี้ยงชีพเนะี่ยได้ปลีกแค่งเริ่มประกอบตนไว้ด้วยวิปัสนาฉะนั้นประกอบตนด้วยวิปัสนาก็คือว่าการพิจารณาแยกแยะรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันโดยความเป็นรูปโดยความเป็นนามโดยความเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็น อนาตาโดยความไม่งามหรือเป็นผู้ประกอบด้วยกายประโยคะวจีประโยคะอันบริสุทธิ์ฉะนั้นจึงเรียกว่าสุปยุตตาที่แปลว่าประกอบไว้ดีแล้วประกอบอะไรประกอบด้วยกายประโยคะไปวัจีประโยคะกายประโยคะก็คือกายการเคลื่อนไหวกายทุกอย่างด้วยบริสุทธิ์นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ทําได้ไหมเช่นกระพริบตาด้วยจิตบริสุทธิ์ยกมือยกแขนเนี่ยต้นเหล่าเนี้นะการยืนการเดินการเอี่ยว การเหลียวซ้ายแลขวาการการโน้มไปข้างหน้าการเอ็งมาข้างหลังโยกกายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเออทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ได้ไหมเจตนา ท, ที่ไม่เป็นบาปอย่างนี้เขาเรียกกายประโยคะที่บริสุทธิ์ถ้าวาจีประโยค่าที่บริสุทธิ์พูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาเนะ่ทั้งต่อหน้าและทั้งรับหลังก็เหมือนไอ้กายกายประโยคะที่บริสุทธิ์ก็เหมือนกันทําก็เหมือนกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง อ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นพูดพูดพูดที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยพูดเมตตารับหลังพูดยังไงจะพูดยังไงเมตตารับหลังถ้าพูดเมตตาต่อหน้าก็คือพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมพูดที่เป็นประโยชน์เออเนี่ยเออการเจริญการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ดีแลใจในขนาดนั้นก็เป็นไปกับเมตตาโดยงี้เขาเรียกว่าจีกรรมที่เป็นเมตตาต่อหน้า ถ้ารับหลังก็ซาเลเซนน ะ, ะ, อะโอ้ท่านผู้นี้เป็นคนดีเนะท่านผู้นีนะ้นี่ยดีนะพยายามเดี๋ยวต่อไปก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองในกุศลเนี้ยก็รับหลังคือถ้าพูดถึงเขาก็พูดด้วยใจที่เป็นเมตตาหายากนะคนทุกวันเนี่ยที่จะพูดกันรับหลังด้วยเมตตาเนี่ย พ, พอรับหลังแล้วโดวยมากมไม่ค่อยไม่ค่อยเมตากันเท่าไหร่หรอใช่ไหม ฉันั้นในคําสอนก็าต้องบอกว่าประกอบด้วยกายประโยชนค่าวจีประโยคะอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือว่าทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับในที่แจ้งคือเปิดเผยก็แสดงความบริสุทธิ์ออกมาทั้งกายกรรมวจีกรรมและในที่รับก็เหมือนกันจะพูดรับหลังท่านผู้นั้นก็ยังพูดเหมือนเดิมอคืพูดด้วยเจตนาบริสุทธิ์เนี่เป็นไปรักเทไนย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงศีลขันธ์ของผ้าอายะบุคคลเหล่านั้นด้วยสับว่าเยสุปยุตตาอย่างคําว่าเยสุปยุตตาเอ้สุปยุตตาเนี่ยอันนั้นพูดถึงชี้เห็นว่าศีลขันธ์ของผ้าอายะบุคคลบอกผ้าอายะบุคคลนี่ประกอบไปด้วยศีลขันธ์นะประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยปาฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะบริสุทธิ์ศีลปัจจะญสันนิสิตาศีล แล้วประกอบไปด้วยอาภิษฎมาจาร์แล้วก็จะประกอบไปด้วยขันเทวกาวัตในขันตะกาวัตทั้งหมดใช่ไหมถ้าอย่างงี้นะ่ยคารวะเนี่ยถ้าคารวะเนี่ยประกอบไปด้วยศีลห้าเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่เดินสุรามีไหลใ่ไหมถ้ามีศีลห้าเบียดเสร็จแต่ว่าเป็นคนอักตันอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้นะอย่างเงี้ย หมายความว่าโอ้โหไม่อุปถักตไม่บำรุงดูแลพ่อแม่เป็นต้นเหล่าเนี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกศีลห้าไม่บริสุทธิ์แล้วเขาเรียกว่าไม่ประพฤติวัดวนะัดในหมายความบอกว่าอศีลอย่างหนึ่งวัดนอย่างหนึ่ ง, นะ ง, งใช่ไหมเพราะว่าคนที่จะแจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าวัดไม่บริสุทธิ์บางคนโอ้โหกับพ่อก็แม่ไม่ได้เลยแต่บอกเข้าวัดเนี่ยนะ กับพ่อกับแม่เนี่ยแม่พูดคํานึงเถียงห้าคำสมมุติยนี้แต่ว่าชอบเข้าวัดถ้าอย่างนี้ไม่ได้ละศีลไม่ได้ละเพราะว่าวัดบกพรองข้อปฏิบัติบกพร่องนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพระก็คือต้องดูอะไรดูอุปช่ายวัดอาจารย์ละวัดเป็นต้นเหล่าเนี้ยวัดในการอุปถัไอ์ดูแลอุปช่าอาจารย์วัดในการกวาดลานเบเยดีวัดในการลงอุโบสถเป็นต้นเหล่านี้ ถ้าเหล่บุคคลเหล่านั้นแม้มีใจมั่นคงคือมีใจมั่นคงด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่ามณสาดันเหนะคําว่ามณสานี่แปลว่าใจดันเหนะนเนี่แปลว่าทําให้มั่นนะจึงเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงสมาธิขันกองพระเหล่บุคคลบอกว่าเยสุปยุตตาคําว่าเยสุปยุตตาเนี่ยแปลว่าประกอบนะ พระยบุคคลเราใดในศาสนาะประกอบดีแล้วประกอบด้วยกายประโยคาวจีประโยคานบริสุทธิ์มณสาดันเห็นนะก็แปลว่ามีใจมั่นคงไงนิ ก, กามิโนเดี๋ยวเดี๋มีใจมั่นคงนี่แสดงให้เห็นชัดว่าพระเจ้าแสดงสมาธิขันนะว่าเออพระอริยบุคคลพระพระขีนาสบเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยศีละขันนะ ก็ใช้สาวว่าเยสุบยุตตามีประกอบด้วยศีลขันนะมีศีลบริสุทธิ์และประกอบไปด้วยสมาธิขันนะมรณาสาดันเห็นนะไอ้ไหมจะบอกว่าโอ้นี่ประกอบด้วยสมาธิขันมีปฐมฌานทุเดียฌานตุเยฌานจตุเดฌานอากาสาเป็นต้นมีสมาธิขั น, าาา น, น, น, ขนและพระายาบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ไม่อะไรในกายและชีวิตไม่มีความห่วงใยซึ่งความเศร้าหมองทั้งปวงที่ได้กระทําไว้โดยความเพียรที่มีปัญญาเป็นตัวนํานะ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่านิกามีโนเขาแปลว่าผู้ไม่มีความห่วงใยแม้ทำอย่างนี้ได้ดีจั ง, งคุณยอมกันเองพยายามทาไม่ได้เมื่อไหร่น้อยเราจะเป็นนิกามีโนได้คือไม่อะไรอะวอนไม่ห่วงใยแล้วตอนเดียวนี้ยังห่วงใย เ, เต็มไปหมดเลยห่วงใยเต็มไปหมดคนที่จะเป็นผู้ไม่อะไรในกายและก็ในชีวิต คือไม่มีความห่วงใยซึ่งความเศร้าหมองทั้งปวงที่ได้กระทำไว้ด้วยความเพียรที่มีปัญญาเป็นเป็นหัวเนึ้เออไม่ห่วงแม้ถ้าไม่ทําไม่อะไรในชีวิตได้คนคนนั้นแสดงว่ากิเลสน้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงท้อจึงทรงขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรม พอพระพุทธเจ้าตรวจสอบดูกระแสจิตของสัตว์โลกทั้งหลายในสากลจักรวาลก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้มากไปด้วยอะไรโอ้ทุกคนมีความอะไรหมดเลยว่าเงี้ยนะคําว่าอะไรนะั้นเป็นชื่อของกา ร, รมคุณเนอะอะไรในรูปอะไรในเสียงอะไรในกลิ่นอะไรในรสอะไรในสัมผัสอะไรในโภภพธลาเนี่ยนะเอออะไรเนี่ย แล้วออกจากเครื่องอะไรเหล่านั้นออกจากโรบเสียงกินรสสัมผัสไม่ได้พอพระพุทธเจ้าเห็นอย่างเงี้ยทรงขนขวายน้อยโอ้โหธรรมมาที่เราตัดสรู้นี่เป็นของประณีตลึกซึ้งและสูงยากนักหนาสาัตว์ผู้มีอะไรเนี่ยนะที่จะมาตัดสรู้รจะมารู้แจ้งได้จะมาแทงตลอดได้ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านท่านผู้เป็นผู้ไม่มีความห่วงใญเนี่ยท่านไม่ห่วงใ ย, ยใครหรอก เออถ้าบอกไม่คําว่าห่วงใยตัวนี้เป็นชื่อของกาบคุณนะแต่ไม่ใช่ท่านใจดํำนะไม่ใช่ว่าเออถ้าเป็นพระอาริยะบุคคลแล้วเนี่ยท่านไม่คิดถึงพี่ไม่คิดถึงน้องคิดท่านช่วยไหมช่วยแต่ท่านถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยท่านไม่เอาอะไรเอาวอนอย่างเราลองคิดดูใช่ไหมสมมุติว่าเออมีญาติคนนี้เราช่วยไม่ได้เนี่ยโอ้หน้ําตาร่วงเลย ลักษณะเนี้ยมันอะไรเป็นอย่างงี้หรือบางที่บางแห่งเนี้ยที่เราเคยอยู่นานๆเนี่ยถ้าเราจะให้จากที่ตรงนั้ น, นคิดหนักไหมคิดหนักถ้าเขบอกว่าเนี่ยอีกอีกห่าวันจะจุติสมมตุติโอ้โหไม่เอาเคิดหนักเลยเนี่ยกระวนกระวายทันทีเลยไม่อยากจากงั้นความอาไลอาวรตรงเนี้ยใช้คำว่านิกามีโนเนี่ย จึงเป็นอันพระพุทธเจ้าแสดงถึงตลาดถึงปัญญาขันก็คือบอกว่าผราเลียบบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในกายและชีวิตพระเลียบบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลที่บรรลุอย่างลงสู่ อ, อมัมตะพันิพานซึ่งถึงความดับกิเลสโดยไม่เสื่อมสวยผลอยู่เป็นต้นเหล่าเนี้ยคำคำนี้เป็นการตัดถึงปัญญาขันสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าตรัสอะไรเนี่ยในคาถาเนี้ย เยสุเยุตาเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงศีลขันตรัสในเรื่องศีลส่วนมณะนะสาดันเห น, นะเน่ยตรัสถึงสมาธิขันส่วนศัพท์ว่านิกามีโนที่แปลว่าผู้ไม่มีความห่วงใ ย, ยนั้นตรัสถึงปัญญาขันสรุปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมตรัสอริยมรรคมีองค์แปดในบทเนี้คาถาแค่นี้ยคนฟังแล้วได้บรรลุนี่ แต่ละคาถาแต่ละคาถาเนี่ยเขาฟังเขาบรรลุกันเยอะแยะหมดแล้วเราฟังพอเป็นอุปนิสัยเราไม่รู้จะบรรลุตรงไหนเลยใช่ไหมมันมองไม่ออกไม่รู้จะบรรลุบทไหนสําหรับคําที่ว่าพระเรียบบุคคลเหล่าใดในาศาสนาของพระโคโดมนั้นมีความหมายว่าพระเรียบบุคคลเหล่านั้นกระทําความเพียรที่เป็นอมตะในภายในคือในาศาสนาของพระโคโดมนี้เท่านั้น ไม่ทําความเพียรในศาสนาอื่ น, นันเป็นภายนอกท่านเหล่านั้นเป็นผู้บรรลุผลแล้วเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะเน่แท้ท่านเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งอรหัตผลอย่างลงสู่นิพพานแล้วโดยความเป็นอารมณ์เป็นผู้ดับความกระวนกระวายจากกิเลสด้วยอํานาจแห่งผลสมาบาัติสวยผลความสุขอยู่ตามบอกว่าผ้าเรียบบุคคลใน่การทาความเพียนที่เป็นอมตะในภายในเนี่ยหมายถึงอะไร หมายความว่าพระญะติบุคคลเหล่านั้นท่านไม่ทำความเพียรในภายนอกศาสนาแล้วเช่นว่าจะให้ท่านทิ้งพุทธศาสนาไปถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นเนี่ยทิ้งพระพุทธเจ้าไปถือศาสดาอื่นเนี่ยไม่ใช่ฐานะท่านไม่ไม่ทิ้งแล้วอย่างเรายังทิ้งไหมมีโอกาสทิ้งไหมทิ้งในขณะจุติเนี่ยรัตนาเราจะขาดตอนจุติขณะนี้ท่านยัง ขนาดไม่ทิ้งก็เศร้ามองไปหลายครั้งแล้ววันวันหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าใจไม่น้อมก็หาพุทธรัตนธรรมรัตนสังกัตนาเนี่ยกายวาจาและใจไม่น้อมไปตามพระธรรมคําสอนของผู้เทเจ้าในทุกๆอารมณ์เป็นต้นเหล่าเนี้ยบางครั้งก็เศร้ามองบางครั้งก็ทําให้ทําสาระให้ให้เศ้ามองบางครั้งก็ขาดบางครั้งก็ต่อสาระใหม่กันอยู่เนี้ยแต่พอถึงจุดติขนาดละทิ้งเลยแต่ไปเกิดใหม่จะไปถือสาระนอะไรอีกก็ไม่รู้ใจเนี้ย ถ้าไปเกิดใหม่ก็อย่าลืมสมาทานกันใหม่นะเพอรู้สึกตัวปุ๊บก็สมาทานศีลเลยเนะถ้นแเจ๋วเลยกลัวจะนึกศีลไม่ออกก็ยุ่งหนึ่งด้วยอํานาจแห่งผลสมาบัติเสวยอยู่ซึ่งความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นด้วยผลสมาบัติตนเองสรุปว่าพระขีนาสพเป็นผู้ประกอบด้วยศีลบริบูรณ์ด้วยสมาธิในาศาสนาของพระโคโดม อย่างลงแล้วสู่อมตะนิพพานด้วยปัญญาชอบบริโภคอยู่ซึ่งผลสมาบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตัดถึงคุณสังครัตนะด้วยอำนาจแห่งพระกีณาศพผู้เสวยความสุขอันเกิดจากผลสมาบัติเท่านั้นอย่างนี้ทรงอาศัยคุณนั้นประกอบสัจวาจาว่าสังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ผู้ประกอบ ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ผู้ประสบภัยพิบัตเหล่านั้นและด้วยคาถานี้เป็นอันอมนุษย์ในแสนกฏจักรวาลได้รับแล้วพระผู้มีภาคเจ้าขั้นตรัสสัจวาจาอันมีพระสงฆ์เป็นที่ตั้งได้คุณพระคีนาศบเหล่านี้แล้วบัตรนี้เมื่อจะกล่าวถึงคุณของพระโสดาบันอันประจักรแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ตรัสคาถาว่ายะถินดาคีโลปทวิงสตี สิโตสิยาจะตุภิวาเตนะอาสามัมปกรมปิโยจะทูปมังส ป, ปริสังวดามิโยริยสัจจานิอเวจักปัตสติอิดามบีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุอันนี้กล่าวถึงพระโสะดาบันนะแปลว่าเสาเขื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศชั้นใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัจทั้งหลายเราเรียก ผู้นั้นว่าเป็นสัตว์โบลุษไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้นสังกรัตแม้นี้เป็นสังกรัตถนัดปานี้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายอัตถกถาท่านอธิบายบอกเสาเขื่อนเนี่ยเสาเขื่อนที่ฝังลงในดินเนี่ยไม่พึงหวั่นไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่เพราะเหตุที่โคนเสาฝังอยู่ลึกแม้ฉันใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัตว์ทั้งหลาย พิจารณาเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเออในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเวลาไปตามสถานที่ต่างๆหรืออยู่ในที่ตรงไหนเนี่ยอริยสัจปรากฏในใจเราบ่อยไหมถ้าปรากฏบ่อยๆเนอะแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นอริยสัจอาจจะเห็นในการฟังเห็นในการไต่ตรองไข่ควรเล็กๆในน้อยก่อนไม่เป็นไรนะแต่ขอให้คิด เข้าหาคําสอนให้ตรงก่อนพระพุทธเจ้าตรัสเรียกคุณนั้นว่าเป็นสัตบุรุษคือบุรุษผู้สูงสุดเนี่ยนะอุปมาฉันนั้นคือเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยลมคือการกล่าวหาของเดรัจฉ์ทั้งปวงเช่นกับเสาเขื่อนที่ไม่หวั่นไหวเพราะลมจากทิศทั้งสี่เออตรงนี้คืออย่างนี้คนที่เป็นผ้าเลียบบุคคลเนี่ยเขาไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมไม่หวั่นไหวบอกว่ า, วามีลาบเสื่อมลาบ นินทาสารเสริญมีสุขมีทุกข์เนี่ยเขาเขาไม่หวั่นไหวในเรื่องตรงเนี้ยอยังเร่าวันไหวไหมเช่นได้กระเสียถ้าได้นี่หวั่นไหวไหมหวั่นไหวอีกแล้วหูได้ดีใจเสียหวั่นไหวโทมนัสใช่ไหมเอามีคนเขานินทาหวั่นไหวไหมเอาหวั่นไหวอีกแล้วเาสารเสริญโอ้โฟูขึ้นอีกแล้วเนี่ยโยงเนี้ย นีลักษณะนี้เขาเรียกวันไหวได้โลกธรรมแต่พระอริยะบุคคลทั้งหลายที่เขาเห็นเขาเห็นอริยสัจแล้วเขาไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมอันนี้เขาไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมเหล่านี้เดีย๋ยวตัวนี้ก็ไปไข่ครวญลักษณะอย่างนี้ต่อไปจะได้ไม่ห ว, วงงั่นไหวทั้งนั้นอย่าลืมนะบางทีเนี่ยบางคนเขาหลอกพวกเราเนี่ยในสังสารวัตฏที่ผ่านมาเนี่ยงค์ทีเขาพูดยกยอเราหน่อยแล้วก็ทําทําจนหูทําจนลืมตายบางคนเนี่ย เราถูกเครื่องล่อไงมางคลเขาเอานั้นมาล่อบางอันนี้มาล่อโอ้โหขยันกันแข่เงี้ยเหมือนนักเรียนนะนะเขาก็มาเอาเอาเครื่องล่อไปเยอะแยะหมดเลยโอ้โหเรียนกันใหญ่เลยมางคล เ, เรียนจนเรียนจนแทบประสาทกินเลยเนี่ยมันวันไหวอ่ะไม่ได้เป็นปกติของชีวิตเท่าไหร่หรอกนี่ว่าไม่นั่งคิดวันก่อนก็นั่งสนทนากันกกว่าเออคนที่เรียนมาทางด้านบัญชีเนี่ยเนี่ย เขาละเอียดเนี่ยค น, นเรียนในทางด้านบัญชีต้องละเอียดอ่อนเพราะว่าการตรวจสอบละเอียดและออมากะคือเขาสามารถดูได้อย่างละเอียดออวันก่อนเนี่ยมีพระท่านจบมาจะทำบัญชีก็นั่งคุยเอาบัญชีดูท่านเก่งจริงริดูละเอียดและ อ, ออทุกขั้นตอนเนี่ยประเภทที่ว่าผลกำไรอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันมีภาษีเนี่ยกลรมสรรพากรต่างๆเนี่ยะ จะมาตรวจภาษีเนี่ยนักบัญชีเขาเก่งเลยใช่ไหมเขาสามารถทําบัญชีแล้วคือสามารถให้มันถูกได้แต่พวกสภากลทั้งหลายมาตรวจมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้เสียภาษีในน้อยได้อย่างนี้เป็นต้นเขาบอกเก่งมากนี่วิธีคิดลักษณะอย่างเงี้ยลองคิดดูนะว่าลองพลิกความรู้สึกเนื้อเอาความคิดในเรื่องบัญชีเนี่ยมาคิดอริยสัจโอ้โหโอกาสบรรลุมีเลยะ ใช่เพราะว่าคือคิดให้ละเอียดแล้วอวมือนกันคิดคําสอนเน่ยเอามาตรึกเอามาไข้คั่วเอามาพิจารณามาเพ่งพินิษณ์เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็บอกโอ้คำสอนของพระเจ้านี่ประเสริฐ จ, จริงๆเดี๋ยวก็จะได้รับว่าเป็นสัตว์บุรุษได้คือเป็นบุรุษผู้สูงสุดได้เป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยลมคือการกล่าวหาของเดรัจฉีทั้งปวง เช่นเดียวกับเสาเขื่อนที่ไม่หวั่นไหวเพราะลมจากทิศทั้งสี่ท่านเป็นผู้ที่ใครๆไม่อาจให้หวั่นไหวได้หรือเป็นผู้อันใครๆไม่อาจให้เคลื่อนจากความเห็นถูกได้คืออริยะบุคคลเนี่ยท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่านี้ทุกนี้เหตุใ ห, ห ใ, หให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ทางให้เที่ยงเข้าถึงความดับทุก์เป็นผู้เห็นอริยสัจสีโดยแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วฉะนั้นถ้าจะมีคนมาบอกให้ท่านเห็นผิดไม่มีแล้ สัมมาทิฏฐิของท่านนี่บริบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีใครบอกว่าอุ้ยมาเห็นแบบนี้มาเข้าใจแบบนี้ดีกว่ามาชี้เพื่อจะให้มาเข้าใจแบบอะไรผิดๆเนี่ยท่านไม่มาแล้วเพราะว่าท่านสมาทานสัมมาทิฏฐิที่ชัดเจนแล้วเพราะท่านเห็นอริยสัจ ท, ที่คนเห็นอริยสัจแล้วท่านไม่หวั่นไหวอย่างเรานเนี่ยนะว่าเออศรัทธาพระรัตนพุทธรัตนธรรมรัตนและสังขรัตนะว่าศรัทธาใช่ไหม แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยพอไปเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆอลไเนี่ยลืมเลยเพราะว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมันยังหวั่นไหวต่อโลกธรรมอยู่ถ้ามีโลกธรรมมาเป็นเครื่องล่อมอะไรเนี่ยเสียเลยฉะนั้นพระพุทิพาเจ้าตรัสถึงคุณของสังครัตนะด้วยพระโสดาบันซึ่งเป็นอันมากเห็นได้ประจักษ์ะนั้นอย่างนี้แล้วทรงอาศัยคุณเหล่านั้น ยังประกอบสัจวาจาว่าอีดัำปีสังเครัตนนัปณีต่างเป็นต้นเขาแปลว่าสังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนนันปณีเป็นรัตนนันปณีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้คือสัตว์ที่ได้รับอุปัฏฐวภัยในเมืองเวสาลีด้วยสัจวาจาอันอ้างอาคุณของพระโสดาบันนี้เป็นอัน ว่าอัจฉริอันอมนุษย์ในแสนกฎจักรวาลได้รับแล้วพระผู้มีภาคเจา้าคันตรัสัจวาจาซึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่ตั้งด้วยคุณของพระโสดาบันแล้วบัดนี้เพื่อจะตรัสถึงคุณของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตัคขตุปรมมอันเป็นผู้น้อยกว่าพระโสดาบันสามจำพวกนะั้นคือพระโสดาบั น, นมีอยู่สามจำพวกมีเอกพีชีหนึ่งโกลังโกละหนึ่งสัตตัขตุปรรมหนึ่ง ก็พระโสดาบันที่ชื่อว่าเอกพีชีนั้นบังเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เอกพีชีเนี่ยประเภทที่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแ ก, ะกะ่กล้าประเภทที่อินทรีย์เขาแก่กล้ามากฉะนั้นถ้าเขาเกิดแค่ชาติเดียวชาติที่สองต่อไปบรรลุเป็นป้าหลานสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นป้าหลานได้เลยเพราะความที่อินทรีย์แ ก, ะกะ่กล้า สันประเภทที่สองที่บอกว่าโกลังโกราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสุขอยู่ในสกุลสองถึงสามสกุลก็ทําที่สุดแห่งทุกได้สองชาติถึงสามชาติเกิดในตระกูลเนี่ยนะมีสกุลเนี่ยอยู่สองสามสกุลเท่านั้นอย่างเราเนี่ยโอ้โหเนอะไม่รู้จะเกิดอีกอกี่กสกุลก็ไม่รู้อาชาตินี้ได้นามสกุลได้โคดได้ตระกูลแบบนี้ ไปอีกชาติอื่นนะไปได้นามสกุลใหม่ได้บางทีไม่อยากได้ะกูลบางสกูลนี่ไม่ค่อยอยากได้เลยบางทีไปเกิดก็ต้องเหนื่อยอย่างแสนสหนะาหัสเน่ยกลัวจะทำให้คนยอมรับได้นี่นะอูยต้องเหนื่อยคนจะยอมรับเขาหน่อยเอ้าหมดเวลาแลจ้จะจะจุติกันได้อีกแล้วมีอยู่แค่นี้ชีวิตง่ายมาก พระโสดาบันอีกประเภทหนึ่งชื่อว่าสัตักขตุประมานั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์ทั้งสิ้นเจ็ดครั้งคือเจ็ดชาติเนี่ยก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสัตักขตุประมาโสดาบันชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรด า, พ ร, ดาพระโสดาบันสามยมพวกคือสำเร็จช้ากว่าใครในสามยมพวกนั้นพระพุทธเจ้าทรงปรารบถึงพระโสดาบันที่ชื่อว่าสตักขตุประมานี้จึงตรัสคาถาในรัตนสูตรว่า เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคามีพรปัญเยนะสุเดสิตานิกินจาปีเตหติภูสะปรมัตตาาเตภวังอัธฐสมาที่ยันติอิดามีสังเครัตนังปณีตังเยเตนะสเจนะสวติหตุก็แปลว่าถ้าอริยบุคคลเหล่าใดทำให้แจ้งซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลายคือทำให้แจ้งซึ่ง ทุกสมูทัยนิโรธมกักอันภา ษ, ษาสดาทรงแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งผ้าริยาบุคคลเหล่านั้นถึงจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็จริงถึงกันนั้นท่านก็ไม่ยึดถือเอาพบที่แปดคือไม่เกิดในพบที่แปดอีกสังฆลัตนาแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจะอันนี้ขอความสวัสดีจึงมีแกสัตว์เหล่าอื่นโอ้ถ้าเป็นพระโสดาบันนี่นะต่อให้ประมาทยังไงก็ประมาทเนะี่ย แต่จะไม่ได้พบที่แปดเลยเกิดอีกเจ็ดชาตินึงเหมือนฝุ่นเม็ดเล็กๆเจ็ดเม็ดนั่นนะแค่นั้นแหละโอ้โหน่าชื่นใจเอาอยู่อย่างประมาทมัวเมาเลยนะแต่บรรลุเป็นพระสสดาบันเบร์เสร็จนะอยากเที่ยวที่ไหนไปไปตลอดเลยแเนี้ยก็มีเที่ยวก็มีจัดกิจกรรมงานที่ไหนไปหมดไม่เป็นไรก็เป็นพระสดาบันแล้วเที่ยวได้ ว่ยังไงก็เกิดอีกเจ็ดชาติใช่ไหมไม่มีไม่มีพบที่แปดแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเที่ยวเน้น้อยหน่อย <c oughs> นายยองอาพิษนะแต่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบานันเที่ยวเน้ยเ <c oughs> พราะอะไรเพราะหมูยังยังต้องเที่ยวอีกเยอะอยู่แล้วถึงไม่ไปเที่ยวเดี๋ยวเขาก็ฝากดันไห้เที่ยขนาดอบายภูมิยังไปได้เลยใช่ไหม ไปเกิดเป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้โดยเฉพาะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอยู่แถวแถบเอธิโอเปีย e ก็ได้ใช่ไหมแถวป่าอเมซอนป่ากว้างลึกประยชน์อย่างนั้นก็ได้เรายังท่องเที่ยวกันอีกนานว่า ง, งั้นเถอะยังท่องเที่ยวอีกนานนั้นต่อไปถ้าใครบอกว่าไปเที่ยวทังนั้นเหมือนเรายังเที่ยวอีกนาน แต่ถ้าไปเฝ้าพุทธเจ้ารีไปเนะี่ยไปส ก, การะไปบูชาภาริยาบุคคลเหล่าใดทำให้แจ้งซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลายอันภาษาสดาทําให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันชอบภาริยาบุคคลเหล่านั้นถึงจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็จริงถึงกันนั้นท่านก็ไม่ยึดเอาภพที่แปดคือไม่เกิดในภพที่แปดอีกสังขรัตนะแม้นี้เป็นสังขารตนะอันประณีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ คำอธิบายในคาถานี้ก็คือว่าภ ร, ริยาบุคคลเหล่าใดกำจัดความมืดคือกิเลสเนี้ยราคะโทสะโมหะที่ปกปิดสัจจะเสียได้ด้วยโอภาษคือปัญญาและเปิดเผยให้ปรากฏแก่ชาวโลกด้วยดำเนินตามพระธรรมที่พระผู้ไป็พระาเจ้าท ร, าาทรงสแสดงไว้ดีแล้วคือปกติเนี่ยนะทำไมอริยสั์ไม่ปรากฏในกระแสะใจของเราสั์เพราะาวิชามันปกปิด อ ว, วิชาปกปิดเนี่ยมันก็มืดหมดเลยมองไม่เห็นเลยเช่นเวลาเราเห็นเด็กเห็นคนป่วยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนทั่วๆไปเนี่ยมันไม่เคยสะท้อนใจในว่านี้ทุกข์บอกว่านี้ชาติทุกข์ยังไม่พ้นจากชาติทุกข์ชราทุกขโมระทุกข์โสกาปริเทวทุกขะโทมนาสัยและอุปาญาตไม่ได้คิดลงไปลึกๆอย่างนี้ตักงแต่เนี้ย มีเด็กน่ารักน่ารักมาให้เราเลี้ยงดูเนี่ยโอ้โหเพลินทั้งวันเลยทีเดียวเห็นว่ามดสนุกเลยชอบใจด้วยซ้ําไปเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามันปิดอริยาศาสตร์ไม่ปรากฏด้วยโอภาษคือปัญญาไม่เกิดแล้วเปิดเผยให้ปรากฏแก่ชาวโลกด้วยการดําเนินตามพระธรรมที่พระเจ้ทาทรงแสดงไว้ดีเลยด้วยปัญญาอันลึกซึ้งกล่าวคือพระสัพพัญยุตยานี่เนี่ ย, นนยอันบุคคลอื่นไม่พึงให้ด้วยยานของโลก แม้ด้วยยานของเทวโลกพระองค์ทรงเป็นพระผู้มีมปัญญากว้างขวางลุ่มลึกจนไม่อาจจะประมาณได้ก็พระริยบุคคลผู้ทำให้แจ้งซึ่งอริยาสัจสีเหล่านั้นเนี่ยแม้เป็นผู้ประมาทอย่างยิ่งก็จริงถึงกระนั้นพระริยะบุคคลเหล่านั้นก็ดำรงอยู่แล้วในโสดาปฏิญาณก็พึงนำนามรูปให้เกิดขึ้นในสังสารวัฏมีเบื้องต้นและที่สุดอันไกลให้รู้แล้วสิ้นเจดชาติเท่านั้นเช่น รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามกับรูปของพระยะพบุคลที่เป็นพระโสดาบันนี่เนี่ยจะให้ตั้งขึ้นตามพบต่างๆเนี่ยปิดอบายภูมิเลยเนะหนึ่งไม่ไปเกิดเป็นเปรตสองไม่เกิดสัตว์ดิราฉานสามไม่เกิดเป็นสัตว์นโลกสี่ไม่เกิดเป็นอสุรากายเออไม่เกิดแล้วในสี่สี่ในสี่ภูมิเนี่ยเนะนีในในอบายภูมิทั้งสี่ไม่ไปเกิดทีนี้ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็ไม่ ได้เจ็ดชาติเท่านั้นย่อมไม่ทำภพที่แปดให้ให้ตั้งขึ้นกล่าวคือได้เจริญวิปัสสนาในภพที่เจ็ดนั่นเองแล้วก็บรรลุปเป็นพระรหารถ้าไม่ได้เป็นพระรหารยังไม่ตายเลยลองคิดดูฉะนั้นในจาระลีนิพพานในภพที่เจ็ดนั้นไม่เกิดในภพที่แปดอีกเพราะอะไรเพราะทํานามรูปเหล่านั้นให้ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แล้วหมดเชื้อปฏิสนธิมมก็แปลว่าโบกมือลาได้แล้ว อย่างนี้ลาจริงๆนะอย่างที่พวกเราตายกันนี่ลาไม่จริงนะลาหยุดบอกพอจะตายก็ลาก่อนนะแต่ลาไม่จริงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาวนๆกันอยู่นะอย่างนี้ก็เรียกลาไม่จริงกนะันเลยคุณของพระโสดาบันเนี่ยนะของสัตตะขตุปรรมโสดาบั น, น่ผู้แม้ประมาทก็ยังประลีนิพานในภพที่แปดที่เจ็พระผู้มีพระเจ้าอาศัยคุณ น, นั้นจึงประกอบ ด้วยสัจวาจาวอีดำปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหัตุก็าแปลว่าสังคารัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันปณีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ที่ประสบกับอุปัตถวภัยเหล่านั้นและด้วยคาถานั้นอัชญาอันอมนุษย์ในแสนกฎจักรวาลได้รับเลยทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าขันตรัสคุณของพระสงค์คือพระโสดาบัน ที่ไม่เกิดในภพที่แปดเมื่อจะตรัสถึงคุณของพระโสดาบันเหล่านั้นผู้ซึ่งแม้ยังต้องเกิดอีกเจ็ดภพว่าพิเศษกว่าบุคคลทั้งหลายเหล่าอื่นซึ่งยังละความยึดถือในภพไม่ได้จึงเริ่มพระคาถาว่าสหาวสะดัสนะสัมปรายะแตยัสธรรมมาชชหิตาพระวันติสากายทิฐิวิจิกิธตานจาักสิรพตังวาปิ ยทัตทิกินจิจะตูหาปาเยหิจะวิปะมุตโตฉะจะพิฐานานิอภพโภกาตุงอีดัมบีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเยนะสวอทิโหตุถ้าแปลว่าสักาสกายทิทิและวิจิกิจฉาหรือแม้สีละพตาปรามาตไอตัวนี้เป็นตัวกิเลสทั้งนั้นนะเนี่ยสักกายทิทิสักฤฤฤฤสกายะทิทิ ก็คือความยึดมั่นในกายอ่ะเขาเรียกสักายะสักายะทิฐิยึดมั่นในกายยึดมั่นในรูปกายนามกายยึดมั่นในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเนี่ยยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสักายะทิฐิอ่ะที่นั่งกันอยู่นี่มีไหมมีนี่ก็เรียกมีสักายะทิฐิตัวนี้สําคัญไหมสำคัญแต่ยังมีอยู่ตราบใดบ่งบอกว่าเป็นบุรุชนแท้ ถ้าเอาตัวนี้ออกได้เออความเป็นบุตุชนถึงจะหายประการที่สองคือวิจิกิจฉาความสงสัย8ประการสงสัยในพุทธต้นต้นเดี๋ยวจะไปขยายอีกทีแล้วก็สีลรพตาปรามาสอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ผิดอันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ทำเหล่านั้นอันภ้ายาบุคคลเหล่านั้นละได้แล้วสามประการเนี่ยสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพตาปรามาสเนี่ยผ้าหยาบบุคคลละได้แล้ว พร้อมกับด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นทีเดียวทัศนานการเห็นนี่นะเห็นอัน เ, นเระเด็ดแล้วอันหนึ่งเรียบุคคลผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่พ้นแล้วจากเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกทั้งไม่ควรเพื่อจะทำอภิฐานหกอภิฐานหกคืออะไรอภิฐานหก็คืออนันตริยกกรรมห้าแล้วก็ ไปเข้ารีดเดลทีหกอย่างสังครตนาะแม้นี้เป็นรัตนาอันปรณีด้วยสัจว า, จานี้ขอความสวัสดีจงมีเกศสัตว์เหล่านั้นข้อความในพระคาถาเนี่ยอัตกถาท่านอธิบายบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยพวกหนึ่งในบรรดาโสดาบันสามยมพวกเนี่ยนะพวกใดพวกหนึ่งเนี่ยนะในสามยมพวกไม่ว่าจะเป็นเอกภีชีโกลังโกลาสัตากขตุปธรรมานี่นะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าย่อมไม่ยังพบที่แปดให้ตั้งขึ้น ความถึงพร้อมด้วยโสดาปฏิมักจึงอยู่พระโสดาปฏิมักเนี่นะท่านเรียกว่าทัศนะมักของพระโสดาบันเนะี่ยเรียกว่าทัศนะเพราะอะไรจึงเรียกว่าทัศนะเพราะเป็นการเห็นพระนิพพานเป็นครั้งแรกและเห็นก่อนใครด้วยจึงเรียกว่าทัศนะเห็นก่อนผ้าเรียบบุคคลทุกจำพวก และเพราะความถึงพร้อมด้วยแห่งกิจอันท่านเห็นนิพพานแล้วพึงกะระทำก็การที่พระโสดาปันติมักนั้นปรากฏในตนจึงชื่อว่าทัศนสัมปทาไอสัมปทาเขาแปลว่าการถึงพร้อมการถึงพร้อมด้วยทัศนะอบอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันก็เรียกทัศนสัมปทาเนะ่เรียกถึงพร้อมด้วยทัศนะพระโสดาบันละทำสามประการนี่ยละทำอะไรละละสักกายทิฏฐิละวิกจิกิจฉา ราสีและพระตะปรามาดได้พร้อมทั้งความถึงพร้อมด้วยทัศนะนั้นด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าสักกายะทิฏฐิและวิจิกิจฉาและสีละพระตาปรามาดอันใดอันหนึ่งมีอยู่ทำเหล่านั้นอันพระริยะบุคคลคือพระโสดาบาันละลาได้แล้วพร้อมด้วยการถึงพร้อมด้วยทัศน์คือการเห็นทีเดียวนี่ยทีนี้อธิบายสักกายะทิฏฐิสักกายะทิฏฐินี่คือความยึดมั่นในกายดังที่ได้กล่าว ยึดมั่นในกายถ้าแยกให้ละเอียดก็ยึดมั่นในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจไตตาปังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายึดไหมยึดใช่ไหมยึดด้วยอํานาจแห่งตันหาบ้างยึดด้วยอํานาจแห่งทิฏฐิบ้างยึดด้วยอํานาจแห่งมานะเป็นต้นบ้างยึดหรือไม่ยึดนี่ก็เรียกตัวสักยทิฏฐิทีนี้ ท่านจำแนกไปตามอุปาทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทิฏฐิทุกประการเหล่านั้นพระโสดาบานันท่านละได้แล้วคือความยึดมั่นในรูปขันยึดมั่นในเวทนาขันยึดมั่นในสัญญาขันสังขารลขั น, ข น, ขนวิญญาณนะขันเนี่ยพระโสดาบานันละได้แล้วเออถ้าเป็นพระโสดาบานันก็แปลว่าท่านไม่มีสักกายทิฏฐิใช่ไหมท่านไม่ยึดมั่นรูปนาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของของเรา ดีนะถ้าไม่ยึดมั่นใช่ไหมเพราะตัวยึดมั่นนี่เป็นปัจจัยกรทุกมากมายก็เพราะท่านล้าสากายยะทิฐิอันเป็นมูลรากของทิฐิทั้งปวงได้แล้วนั่นเองทิฐิอื่นจึงเป็นอันถูกละไปด้วยเออพอล้าสากายะทิฐิได้นี่นะมันเป็นตัวมูลรากของทิฐีทั้งหมดเลยนะอย่าลืมนะถ้าตัวสากายะทิฐิถูกละไอ้ทิฐิทั้งหมดก็ถูกละไปด้วยนี่เป็นอย่างนี้ทิฐิทั้งปวงเมื่อ ขาดต้นตอคือมูลลากแล้วย่อมสิ้นไปถูกทำลายไปไม่เกิดอีกต่อไปนี้เป็นการทำความเข้าใจในสักกายทิฐินี่เป็นอย่างนี้ล้วก็ไปพิจารณาดูนะว่าตัวสักกายทิฐิเนี่ยบางทีมันฝังแน่นมานานนล น, นะเรามามีความรู้สึกว่าเออมันคิดไปคิดมามันก็เป็นของเราจริงๆริงใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเหล่านี้เออถ้าไปพิจารณาดูเ อ, อ๊ะมันมีเราอยู่ในนั้นไหมเออมีไ้มอ่ะเช่นเอาผมมาเส้นหนึ่งเนีเราไปค้นดูในนั้นมีเราไหมไม่มีหรอกเราไม่มีเลยเนะี่ยแต่เราไปยึดเองอี่นะวิเวจิกิจฉาเป็นชื่อของความสงสัยแปดประการสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้า สงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในศิษขาสงสัยในศีลสมาธิและปัญญาสงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตสงสัยขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตสงสัยทั้งขันธ์ธาตุอายตนะทั้งอดีตและอนาคตและสงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นติดต่อกันแบบไม่ขาดสายเนี่ยความสงสัยทั้ง8ปประการในพระโสดาบันละได้หรือยังละได้แล้ว เช่นว่าสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเราศึกษาคุณของพระเจ้าอย่างเงี้ยก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะคุณของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือน้อยลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่าสงสัยในคุณของพระธรรมใช่ไหมเช่นว่ามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยเออเป็นปัจจัยจะเป็นทําให้คนพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่ สงสัยในคุณของพระสงฆ์วอกเออถวายข้าวหนึ่งทพีเป็นต้นนี้มีผลมากมีอนิสงส์มากเป็นต้นสงสัยในศีกขาคือสงสัยในศีลสมาธิปัญญาว่าจะเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความว้นทุกได้จริงหรือเนี่ยตั้งข้อสงสัยเงี้ยสงสัยขันธ์ธาตุอยายตนะที่เป็นอดีตมันมีจริงรึ่าใช่ไหมไอความสงสัยลักษณะตรงนี้เขาเรียกกังขาวิตรณะวิสุท ธ, ธิคือยังไม่พ้นจากข้อกังขา คนที่จะพ้นจากข้อกังขาตรงนี้ได้ต้องมีกังขาวิจารณะวิสุทธิลักษณะความสงสัยเนี่ยเช่นว่าก่อนจะถึงพบนี้ตัวข้าพเจ้าเคยเกิดมาแล้วในดีตระภพหรือไม่หน้องคิดคิดไงเนี่ยหมายความว่าเอ้ะข้าพเจ้าเป็นมาโดยต่อเนื่องในดีตการหรือเปล่าคิดในดีตการมีเราเกิดมาหรือเปล่าสงสัยว่า<ม>ก่อนจะถึงพบเนี้ย ตัวเราอ่ะไม่เคยเกิดในอดีตหรือไม่ไม่เลยเกิดหรือไม่เกิดว่างั้นนะในอดีตนั้นยังไม่เคยเกิดเลยเพิ่งจะมาเกิดในชาตินี้เพียงชาติเดียวหรือหรือเอลเนี่ยกระสงสัยไอ้ครั้งแรกบอกว่าเออเนสงสัยเราเคยเกิดมาในอดีตมาครั้งสองอ่าเออสงสัยเพิ่งเคยเกิดชาตินี้เป็นชาติแรกเลยอดีตคงไม่มีประการต่อมาก็บอกว่าอถ้าเกิดในอดีตเราเคยเป็นกษัตริย์ เคยเป็นพราหมณ์เคยเป็นเศรษฐียาจกมนุษย์เตวดาพรมหรือสัตว์เทาชานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นหรือน้งนงนงอสงสัยลักษณะอย่างนี้อ่มีอยู่กับผุุ้ชนทั่ ว, วไปหรือสงสัยบอกว่าในอดีตบอกว่าเออเราเนี่ยในอดีตเราเป็นคนสูงคนต่ำขาวดําเป็นต้นเนี่ยสงสัยใช่ไหมว่าในอดีตเราสวยหรือเปล่าสมองเงี้ยหนี่ยสงสัยลักษณะงเนี้ยประการต่อมาคือว่า ในอดีตข้าพระเจ้าเคยเกิดเพราะเหตุอะไรบอกเคยเกิดเป็นพรมเป็นบิดาเป็นผู้สร้างหรือว่าข้าพระเจ้าเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติบ่กสงสัยบอกว่าเอ๊ะ ม, มันเกิดขึ้นเองหรือว่ามีคนสร้างเนีย่ยลักาษณะความสงสัยอย่างเงี้ยหรือสงสัยบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเกิดเป็นอะไรแล้วต่อจากพบนั้นก็เกิดเป็นอะไรอีกแล้วต่อจากพบนั้นก็เกิดเป็นอะไรอีก อันนี้สงสัยเหตุการณ์หลายๆบอกว่าจากพบนั้นเป็นอะไรและต่อจากพบนั้นละเป็นอะไรและต่อจากพบนั้นพบนั้นอีกละเป็นอะไรสงสัยลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าความสงสัยห้าประการที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตและความสงสัยอีกประการหนึ่งเนาะบอกในพบต่อไปบอกว่า เ, เราจะเกิดใหม่อีกหรือเปล่า หลังจากพบนี้แล้วอัตราจะไปดับศูนย์หรือจะตั้งอยู่ตลอดไปมีความรู้สึกอย่างนี้นะหรือสงสัยบอกว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าตายจะพบนี้แล้วตัวข้าพเจ้าจะดับศูนย์หรือเปล่าเช่นเอ๊ตายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีใครมาบอกมากล่าวเราเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือตายไปแล้วมันจะดับศูนย์ไปหรือเปล่าคนเราใช่ไหมลังเลไอ้ตรงนี้เป็นเหตุแหงการทํำบาปดีนะและประการต่อมาก็คือว่า สงสัยในอนาคตบอกว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรเออจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานสงสัยในอนาคตหลังจากตายแล้วเนี่ยเกิดมาจะมีรูปร่างยังไงสูงต่ําดําขาวเป็นต้นเหล่านี้หรือสงสัยในอนาคตบอกว่าจะตายแล้วข้าพเจ้าจะเกิดเพราะอาศัยเหตุอะไรเออือถ้าไปเกิดใหม่เนี่ยใครจะเป็นคนสร้างเราเกิดหรือเปล่า หรือจะเกิดเป็นตามธรรมชาติอย่างไรเป็นต้นเนี่ยรักหนาสงสัยก็ตั้งข้อสงสัยประการต่อมาคือว่าสงสัยในอนาคตต่อบอกว่าหลายๆภพข้าพเจ้าจะเป็นอะไรและต่อไปจะเป็นอะไรอีกต่อไปจะไปเป็นอะไรอีกหนอเป็นต้นเหล่านี้มันนึกวมันสมมติจะต้องเกิดไปเรื่อยๆเนี่จากภพนี้จะไปเกิดอะไรหลังจากพบพบนั้นเป็นต้นจะเกิดเป็นอะไรนี่กลุ่มพวกนี้เป็นนักคิดนะเขาคิดเรื่องพบชาตินี่เขาคิดมากจริงนะ แต่งี้ยอมมาพไม่คิดเลยใช่ไหยเมื่อกี้ใช่ไหมคิดไหมอันนี้คือความสงสัยเนี่ยความสงสัยในร่างกายอีกอย่างหนึ่งก็ว่าถ้าในปัจจุบันก็สงสัยเกี่ยวในเรื่องโงอสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นจริงหรือเปล่าเป็นต้นลักษณะความสงสัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเขาเรียกความสงสัยสิบหกประการ ในความสงสัยสิบหกประการแต่ในนี้ท่านเอามากล่าวแปดประการเนี่ยมีแก่ปู้ดูชนทั้งหลายคนที่จะละวิจิกิจฉาคือความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิคาสามคือศีลสมาธิปัญญาในขันธ์าตุอายตนาที่เป็นอดีตขันธ์าตุอายตนาที่เป็นอนาคตสงสัยขันธาตุอายตนาทั้งอดีตและอนาคตตลอด ถ, ถึงสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเออเรามาศึกษาตรงนี้ว่าสงสัยในปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ก็คือทำที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายอะอย่างยกตัวอย่างเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตดรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เนี่ยเพราะพุทธเจ้าได้บรรลุบรรลุอะไรบรรลุอาสวัคยยานคือการทําอาสวะให้สิ้น แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทาําอาสวะให้สิ้นนั้นพระองค์ทรงรู้อะไรก่อนรู้ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมรู้ทั้งสายเกิดและสายดับใช่ไหมทีนี้พอรู้ปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์รู้อะไรก็คือรู้จุดูปบาตยานรู้จุติและปฏิส่วนที่ของสัตว์ทั้งหลายนยะหลังจากนะั้นก่อนที่จะรู้จุดติ ละปฏิสนธีของสัตว์ทั้งหลายรู้กรรมและผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายพระองค์รู้อะไรก่อนรู้ปุเพนิวาสานุสติยานรู้จากการระลึกชาติทุนหลังของตนเองได้เอาก่อนที่จะมารู้การระลึกชาติทุนหลังตนเองได้นะั้นพระพุทธเจ้าทําอะไรให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทําสมาธิคือทําสมาบัติให้เกิดขึ้นคือปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นและสมาบัติที่พระพุทธเจ้าจเจริญ น, นั้นคืออะไร คืออาณาปานาสติในชะ่ไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าเจริญอาณาปานาสติอย่างปฐมฌาน ท, ทาานุติยฌานเจตุติฌานให้ตั้งขึ้นแล้วก็ทําอากาสาอากินวิญญาณิวะเป็นต้นเหล่านะั้นแล้วอาศัยสมาบัติเหล่านั้นเป็นบาตรถึงการทาําอภิญญาแล้วท่านก็ บ, บรรลุ ป, ปุเพนิวาสานุสติญาลึกชาติถุนหลังตนเองได้จนจนไม่จนคํานวณได้อย่างอย่างมาก และในที่สุดจริงๆก็ได้มาบรรลุจุดูปปาทยานและต่อจากนั้นพระองค์ก็มาแทงตลอดอริยสัตว์แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทเมื่อแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทในทสุดก็อาสวะขยะยานก็บังเกิดขึ้นก็ได้เป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแต่ในที่นี้บอกว่าวิจิกิจฉาเนี่ยกลุ่มที่บุคคลที่จะละได้นั้นแปดจำพวกเนี่ยคือพระโสดาบันพระโสดาบันละได้ด้วยโสดาปฏิมัก ความสงสัยทั้งแปดประการนี้เป็นมูลล่าของความสงสัยทั้งปวงด้วยเหตุนั้นความสงสัยทั้งปวงอันโสดาบันนัน้นท่านทําให้หมดสิ้นแล้วต่อจากวิจิกิจฉาอัตถกถาท่านอธิบายศีลพัตต์ปรามาสาว่าว่าศีลหลายอย่างมีศีอย่างโคศีลอย่างสุนัขเป็นต้นแล้ววัดคือข้อปฏิบัติวัดอย่างโควัดของสุนัขเป็นต้นซึ่งมาในพระสูตรว่าความบริสุทธิ์ของสมณพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้ ย่อมมีด้วยศีลอย่างโคเป็นต้นความบริสุทธิ์ย่อมมีด้วยวัดคือวัดอย่างโคเป็นต้นมีศีลและวัดภายนอกศาสนานี้พระโสดาบันะละแล้วแม้ตะบะและความบำเพ็ญเพื่อเผากิเลสในทางที่ผิดมีการนอนบนหนังเป็นต้นก็เป็นอันว่าพระโสดาบันละได้แล้วเพราะเหตุ น, นั้นท่านละศีลวัดอันเป็นมูลรากของศีลวัดทั้งปวงได้แล้วนั่นเองเออตรงนี้นะถ้าคนเป็นพระโสดาบันเนี่นะจะไม่ปฏิบัติผิดแล้ว เช่นจะไปมีข้ออย่างเช่นไปเกิดใหม่เนี่ยนะเป็นวระโสดาบันไปเกิดใหม่จะไปพืชประพฤติเยี่ยงโคเย่ยงสุนัขไม่ได้มีแล้วหรือข้อปฏิบัติอย่างโคเย่ยงโคเย่ยงสุนัขเป็นต้นเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติอย่างอื่นมีการทรมานร่างกายาตนเองด้วยการบําเพ็ญต บ, บะที่เป็นทางผิดพลาดในภายนอกาศาสนาอันนี้ก็ไม่มีแล้วสักกายทิฏฐิอันพระโสดาบัน ล, ละได้ด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นทุกข ลา ว, วิจิกิจฉาเสียได้ด้วยถึงพร้อมแห่งการเห็นสมุทยัยราสีลาพตาปรามาเสียได้ด้วยมรคอันมีพระนิพพานวินาลมพระผู้มีพระภาคเจ้าขันทรงแสดงการลา ก, กิเลสสวัตกิเลสวัตคือวัดคือกิเลสเนี่ยวัดตะโอนคือกิเลสเนี่นะแห่งพระโสดาบันบุคคลอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงการลาวิปากวัตในเมื่อกิเลสวัตยังมีอยู่จึงตรัสว่าจะตูหะปาเยหิ วิมุตติวิปมุตโตก็แปลว่าภริยาบุคคลพ้นแล้วจากอบายภูมิทั้ง4ทั้งไม่สมควรเพื่อจะกระทําอภิฐานทั้ง6สังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนาปราณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้นรกสัตติราฉานปิติวิสยัยอสุรกายชื่อว่าอบายภูมิทั้ง4พระโสดาบันนี้แม้ยังต้องเกิดอีกเจ็ด ก็ย่อมพ้นแล้วจากอบายภูมิทั้งสี่คือไม่เกิดในอบายภูมิทั้งสี่นะทีนี้พระผู้มีพระเจ้าทรงสแสดงการที่พระโสดาบันนั้นละวิปากวัฏให้เหลือเพียงเจดชาติได้เลยคือว่าคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยถามว่าท่านละกิเลสสวัส์ได้แล้วใช่ไหมใช่กิเลสสวัส์ที่จะเป็นปัจจัยเกิดตั้งแต่พบที่แปดเป็นต้นไปจนถึงหลายล้านโกดกับที่ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก วิบากเหล่านั้นสิ้นสุดลงแล้วอันนี้เขาแปลเห็นว่าโสดาปฏิมาคนี่ตัดไม่ใช่ตัดกิลเลสวัฏอย่างเดียวตัดวิปากวัฏด้วยตัดวิบากด้วยและไม่ใช่แค่นั้นนะการที่จะต้องไปทำเคยทํากรรมก็ไว้ใช่ไหมอย่างพวกเราหน้าคนหัวลุกไหมที่เคยทําบาปไว้ในหลายๆภพที่ผ่านมาก็ดีในภพนี้ที่ยังไม่เคยศึกษาคําสอนก็ดีเนี่ยใช่ไหมเออถ้าบาปเหล่านั้นมาส่งยังเขายังส่งผลได้อยู่นะเขายังมีโอกาสอยู่นะ ถ้าเขส่งผลเมื่อไรก็อบายทุกขติวินิบาลดนรกเอาถ้าไปลักษณั่งั้นวิบากเหล่านี้เรายังตัดร้อนไม่ได้หลือยังตัดวิบากเหล่านี้ไม่ได้ถ้าจะตัดวิบากเหล่านี้ได้วิบากในอบายภูมิได้ก็จะต้องทําโสดาปฏิมาคให้เกิดขึ้นฉะนั้นโสดาปฏิมาคนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่น่าทําให้เกิดขึ้นในกระแส จ, จิตใช่ไหมน่าทำไหมน่าทำจะต้องรีบเลยต้องเร่งรีบเลย ทำไมต้องเลงรีบรู้บ้างเพราะว่าวิปากวัฏเนี่ยถ้ามันได้โอกาสเมื่อไรมันผลิตวิบากมันดีไอกรรมาวัฏนี่นะมันได้มันได้โอกาสเมื่อไรมันก็ผ ล, ลิตวิบากมันดีเช่นถ้ามันได้โอกาสในภพนี้มันก็ผลิตวิบากให้ในภพนี้มันให้ผลในภพนี้ถ้ามันได้โอกาสในภพถัดไปมันก็จะให้วิบากในภพถัดไป ถ้ามันได้โอกาสในพบที่สามที่สี่เป็นต้นไปมันก็ให้ผลในพบที่สามที่สี่เป็นต้นไปทีนี้ปัญหาอยู่ตรงว่าถ้าเขาให้ในปฏิสนธิการแย่เลยใช่ไหมคือให้ในขณะปฏิสนธิเช่นว่าอากุศลเนี่ยนะถ้าเขาให้ในขณะปฏิสนธิคือไปเกิดเป็นเปรตอสุรากายสตรีลชานสันนิโรภูยุ่งเลยกลับลำไม่ได้ แต่ถ้าให้ในประวัติการยังคขายัางช่วเช่นให้ขาขาดแขนขาดหรือว่าไตาพังอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าให้ในให้ในประวัติการอันนี้ดีนะที่ไม่เขาไม่ให้ในปฏิสนธิการเนะี่ยถ้าให้ปฏิสนธิการจะยุ่งกว่านี้เยอะวันนี้ไม่ได้มานั่งยิ้มอย่างนี้ยละนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกเป็นเป็นมูลลากแห่ง ของวัตตะพระพุทธเจ้าึงตรัสว่าเป็นผู้ควรเพื่อทําอภิฐานนั้นทีนี้กรรมที่หยาบช้ากรรมที่หยาบช้าท่านเรียกอภิฐานอภิฐานเนี่ยอภิเ น, นี่ยแปลว่ายิ่งอภิฐานได้แก่อะไรได้แก่อนันตริกรรมห้ามีฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระรหัส ทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อและทำลายสงในห้าประการเนี่ยรวมอีกการเข้ารีดศาสดาองค์อื่นอันนี้รวมเป็นทกันนะเช่นไปเข้ารีดศาสนาอื่นเปลี่ยนศาสนาซะอย่างนั้นเนี่ยไปเปลี่ยนเปลี่ยนจะพูดไปถือศาสนาอื่นอันนี้เขาเรียกอภิฐานนะอภิฐานหกประการก็แปลว่าละกรรมที่หยาบช้า เ, าเรียกอภิฐาน พระโสดาบันท่านไม่ทำกรรมหยาบช้าที่เรียกอภิฐานเหล่านี้เพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วแต่พวกเราไม่แน่นะไม่แน่ทีเดียวเลยไปชาติหน้าอาจจะไปเข้าถือพระเจ้าก็ได้ใช่ไหมจ๊ะอาจจะไปเป็นบาทหลวงเลยยุ่งเลยสอนศาสนาเก่งยังยุ่งเลย ชักชวนนแต่ปุตชนย่อมทําแม้กรรมมัญญยาบช้ามีโทษมากอย่างนี้ได้เพราะเหตุที่ตนยังไม่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสมาทิฏฐินะฉะนั้นพระโสะดาบันแม้ท่านไม่ทราบว่าท่านเป็นพระโสะดาบันและแม้ยังต้องเกิดอีกเจ็ดชาติในระหว่างนั้นท่านก็ไม่ทำไม่ทํากรรมที่เป็นอภิฐานหกประการเหล่านี้เป็นอันขาดคือพระโสะดาบันนจะไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทําร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิต แล้วก็ไม่ทําสงให้แตกจากกันแล้วก็ไม่เข้าไม่เข้ารีศาสนาอื่นเช่นนั้นนะถ้าไปเกิดกับพวกศาสนาอื่นก็ไม่นับถือเออถ้าเป็นวสุวดาบันนี่เป็นอย่างนี้นะอ่าถ้าไปเกิดในศาสนาอื่นในบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นก็ไม่ตามพ่อไม่ตามแม่ถ้าอย่างเราถ้าไปเกิดในบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นเนี่โหตามพ่อตามแม่ดีเกินใช่ไหมไม่มีจะไปแย้งพ่อแย้งแม่ไม่ได้แล้ว เกิดมาก็ก็ปั๊มกาแลว้วศาสนาอะไรนี่เป็นอย่างงี้พระผู้มีพระเจ้าคั้นตัดถึงคุณของพระเดยะบุคคลทั้งหลายผู้ยังละความยึดมั่นในภพไม่ได้อย่างนี้แล้วพระองค์ทรงอาศัยคุณข้อ น, นั้นทรงประกาศสัจวาจาว่าสังฆรัตนาแม้นี้เป็นลัตนาอันประณีดด้วยสัจจวาจาขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ ด้วยคาถาอาชญาอันอมนุษย์ในแสนโกฏจักรวาลได้รับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าขั้นตรัสจัจจวาสัจจะมีพระสงฆ์เป็นที่ตั้งด้วยอำนาจแห่งพระญาติบุคคลผู้เกิดสิ้นเจ็ดชาติผู้มีคุณพิเศษกว่าบุคคลเหล่าอื่นผู้ยังละความยึดมั่นในพบไม่ได้อย่างนี้แล้วเมื่อจะตรัสถึงบุคคลผู้ถึงพร้อมได้ทัศนะแม้จะอยู่ด้วยความประมาทด้วยคุณคือการไม่ปกปิดกรรมที่ตนได้กระทําไว้แล้ว คือพระโสดาบันเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะหาใช่เป็นผู้ไม่ควรที่จะทำอภิฐานนะเท่านั้นไม่แต่บาปเล็กน้อยอันใดที่ท่านเคยทำไว้แล้วท่านก็ไม่ควรแม้เพื่อจะปกปิดบาปเล็กน้อยอันนั้นเออนี่พระโสดาบันเป็นอย่างนี้นะถ้าท่านเคยทำบาปอะไรเล็กๆน้อยๆเขาไว้ท่านท่านไม่ปกปิดพระพุทธเจ้าตรัสพระคถาบอกว่ากินจาปิโซกัมมังกรติปาปังกาเยนวาจายุทธะ เจตาสาวาอภพอ โ, โซตาสาวปฏิจชะาชะดายอพาอภัพตาทิธาปัฏสะวุตตาอิดามบีสังเกตรัต น, นังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวธิโหตุแปลวะ่าภาริยบุคคลเหล่านั้นยังทําบาปด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจแม้ก็จริงถึงกันนั้นเนี่ยกายกรรมวิีกรรมและมนโนกรรมบางครั้งยังเป็นบาปอยู่พระโสดาบันเนี่ยนะถึงกันนั้นนะ ท่านก็ไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปรกรรมเหล่านั้นความที่บุคคลผู้มีทำเครื่องถึงนิพพานอันตนเห็นแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อปกปิดบาปบาปอ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสังครัตนะแม้นี้เป็นรัตตตนาอันปรานีดเนีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราสัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสพระคถานี้เพื่อแสดงว่าพระยะบุคคลเนี่ยผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะแม่อาศัยอยู่ด้วยความประมาทและบางทีก็หลงลืมสติก็ตาม ท่านก็งดเว้นจากการล่วงละเมิดด้วยความจงใจที่เป็นโลกวชัชะคือโทษทางโลก่ะท่านไม่ทำแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสหมายว่าสาวกของเราย่อมไม่ก้าวล่วงศึกขาบทที่เราบัญญัติไว้เพื่อสาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตอาจทำกรรมอย่างอื่นมีการนอนในกุฏิเดียวกันกับอนุกสมบัติเกินสามคืนเป็นต้นขั้นทาแล้วท่านย่อมไม่ปกปิดกรรมนั้น ายาบุคคลนั้นรู้ว่ากรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่ตนจะทำแม้ปกปิดไว้คู่เดียวก็เปิดเผยกับพระศาสดาหรือในเพื่อนสะพรมจารีผู้รู้ย่อมกระทำคืนตามธรรมคือปรองอระบาจะได้ในขณะนั้นนั่นเองหรือมิฉชนั้นก็ทำความสมรวมว่าจะไม่ทำอีกคืออย่างนี้นะปกติพระเนี่ยเขาห้ามนอนกับอนุกัสมบัต์ในที่มุงที่บางเดียวกันเกินสามคืน เช่นสำมเน็เนี่ยนะถ้าไปอยู่ในห้องเดียวกับพระเนี่ย